อาจารย์ครับกลาวนพัธีการครับผมนานอาจารย์ตอนคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผมพระอาจารย์ครับรายการวิสัจนาธรรมครั้งที่59แล้วครับพระอาจารย์ครับก็มีเพื่อนเอนมารอฟังเกือบ600คนครับวันนี้จะเรียนถามพระอาจารย์ครับวันนี้ตั้งหัวข้อเรื่องจิตครับเรื่องธาตุรู้เพราะว่ามีคนถามมาบ่อยเหลือเกินว่าจิตธาตุรู้คืออะไรแล้วก็ อ่าศูนย์หรือไม่มีตัวตนหรือไม่วันนี้ขอพระอาจารย์ช่วยขยายความช่วยสั่งสอนพวกเราด้วยครับขอความเมตตาครับธาตุโลนี้ก็เป็นหนึ่งในหกธาตุที่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ทําให้เกิดสปปรรพสิ่งสปปรรพสสารทั้งหลายก็มีธาตุโลนคือจิตหนึ่งแล้วธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟ แล้วข้อธาที่หคืออวกาศธาตุอวกาศธาตุ น, นี้เป็นคือดิเมนชันแล้วเรียกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นที่ที่ที่ตั้งที่อยู่ของสิ่งตา่างๆเช่นดวงดาวทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ต้องมีอวกาศเป็นที่ตั้งน้อยอยู่ในอวกาศ คว่าอาวกาศก็คืออากาศอวกาศสัทนานี่หนี่งแต่ไม่ทราบเวลาเขาเขียนเขาอ่านทันทีอ่านเขียนเป็นอวกาศสัทนก็เป็นเขาเขียนเป็นอากาศสาัทนาไปตัวสะระอากับตัววอลแวนเราคิดว่าเป็นการเขียนผิดเป็นคนจะเป็นอวกาศสาัทนาเพราะถ้าแปลจากภาษาอังกฤษเขาแปลว่า space element ครับ space คือพื้นที่หรืออวกาศ อาวากาศเป็นพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลใช่ไหมไม่มีขอบเขตไม่มีความลึกตื้นหนาบางไม่มันไม่มีขอบไม่เขตมันใหญ่มากที่สามารถบรรจุดวงดาวทั้งหมดจักรวาลทั้งหมดได้นี่คืออั น, อนหนึ่งที่เรียกว่าอาวากาศสตาร์ซึ่งเรามักจะไม่ได้พูดถึงกันเพราะมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยมัเป็นแต่มันต้องมีอาวากาศสตาร์เป็นที่ตั้งของธาตุสี โลกนี้ที่เราอยู่นี่ก็เป็นธาตุสีมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วสิ่งที่มีดวงวิญญาณคือมนุษย์นะนะสัตว์เดราจฉานนี้มีห้าธาตุด้วยกันคือนอกจากธาตุสี่ดินน้ำลงไฟที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายแล้วก็มีธาตุที่ห้าที่เรียกว่าธาตุรูนี้ที่มาเชื่อมกับธาตุสีคือร่างกายของสัตว์และมนุษย์ แต่ธาตุรู้นี้ไม่ได้อยู่ในอวกาศสธานไม่อยู่ในอยู่ในอีกมิติที่เราเรียกว่าโลกทิพย์ลโลกโลกวิญญาณจิตนี้ธาตุรู้นี้บางทีก็เราก็เรียกว่าเป็นวิญญาณวิญญาณนี้ไม่ธาตุรู้นี้ไม่ได้อยู่ในอวอยู่ในอวกาศสธานเหมือนกับธาตุสี่ที่น่ามโไฟเช่นร่างกายของเราทุกคนเนี่ สัตยารชาทั้งหมดนี้อยู่ในอวากาศสนกันแต่ถ้าตุรู้นี้ไม่ได้อยู่ในอวากาศสาัทธอยู่ในโลกทิพย์แล้ว เ, เชื่อมต่อด้วยกระแสของธาตุรู้ธาตุรู้นี้มีความสามารถส่งกระแสที่เราเรียกว่าวิ ญ, ญญาณในขันธ์ห้าวิญญาณทางรูปทางตาหูจบูกเลี้ยงกายนี้ที่เป็นตัวมาเชื่อมกับตาหูจมูกเลี้ยงกาย เพื่อที่จะได้รับลูกเสียงกิเลสผลิตภัณฑ์ที่ร่างกายเป็นผู้รับส่งไปให้กับธาตุรู้อีทีแ ล, ล้วธาตุรวมก็เป็นผู้ที่สั่งการให้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวทําการตา่างๆตามความต้องการของธาตุรู้นี่พอจะเข้าใจไหมทุกที้เห็นภาพนะโอเคทีนี้ธาตุสี่นี้มันเป็นสิ่งที่รวมตัวกันชั่วคราว เป็นเหมือนเฉพาะกิจเป็นงานเฉพาะกิจยกรวมตัวกันได้สําหรับร่างกายของมนุษย์ก็ประมาณไม่เกินน้อยปีเป็นส่วนใหญ่ธาตุสีก็จะแยกกับคืนสู่สภาพเดิมเวลาร่างกายตายไปก็เป็นการแยกของธาตุสีนี่นองธาตุน้ำก็กลับไปสู่ธาตุน้ำํำธาตุลมก็ไปสู่ธาตุลมธาตุดินธาตุไฟก็แยกกันไปร่างกายก็สวนสลาหาย ส่วน่านุธานรู้นี้ก็เพียงแต่ถอนกระแสออกจากราหูจมูกนินกายถอนกระแสของวิญญาณวิญญาณในขันขันห้าและขันสี่วิญญาณในขันสี่ 4, ญญตัวนี้ก็ใน่านรู้นี้มีมีตัวทำงานอยู่สี่ตัวไดกัพี่พูดถึงตัวแรกก็คือวิญญาณวิญญาณตัวนี้ทำหน้าที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสัวดทัพทะเข้ามา พอเข้ามาแล้วก็มีตัวที่สองทำหน้าที่คือแปลแปลความหมายที่เราเรียกว่าสัญญาตัวนี้แปลว่าแปลรูปภาพรูปสิง่งกล้ว่าเป็นรูปอะไรสิ่งอะไรโดยอาศัยข้อมูลเก่าที่เคยสะสมไว้ที่เราเรียกว่าความจําสัญญานี้ถึงแปลว่าความจำํจำจาได้หมายรู้เวลาเวลาวิญญาณรับรูปมาปั้งสัญญาก็ทําหน้าที่ หาหาข้อมูลว่ารูปนี้เป็นใครเป็นอะไรเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรนี่เป็นหน้าที่ของสัญญาที่จะเป็นคนทำหน้าที่กัดกรองข้อมูลที่เข้ามาทางวิญญาณเมื่อกัดกรองเสร็จก็จะรู้ว่าเป็นถ้าเคยจำได้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีก็บอกว่ารูปนี้ดีถ้าจำได้ว่ารูปนี้ไม่ดี ก็จะบอกว่ารูปนี้ไม่ดีหรือถ้ารูปนี้เป็นการกลางไม่ดีไม่ชัว่วก็จะก็จะบอกให้รู้พอบอกให้จิตรู้ปั๊บก็ก็จะมีตัวทําหน้าที่ตัวที่สามที่เรียกว่าเวทนาเวทนาก็คือตัวความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์พอสัญญาบอกว่ารูปนี้ดีสุขเวทนาก็เกิดขึ้นทันทีพอเหน็นรูปที่เราชอบเนี่ย เรามักจะเกิดความสุขขึ้นมาทันทีพอเราเห็นรูปที่เราไม่ชอบเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราเห็นรูปที่เราเป็นกลางๆไม่ชอบจะว่าชอบก็ไม่ใช่จะว่าชางก็ไม่เชิงเฉยๆก็จะเกิดเวทนาเฉยๆขึ้นมาคือไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเกิดเวทนาขึ้นมาจิตก็มีตัวทางานตัวที่สี่ คือสังขารความคิดปรุงแต่งตัวนี้ก็จะคิดว่าจะทำไงดีกับรูปเสียงขีดรบที่ได้สัมผัสถ้าชอบก็ไปหาสิไปเอามาสิใช่ไหะถ้าไหนเราชอบเราก็ไปซื้อเลยใช่ไหมทำไมานี่นสั่งผ่านทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วเนะนั <c> ่น <oughs> แหละหน้าที่ของสังขารเป็นผู้สัง่งแต่ก่อนจะสั่งซื้อได้ก็ต้องเช็กดูกันว่ามีเงินรือเปล่ามีกําลังซื้อหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสังขารหนึ่ง การความคิดตรงแต่กับอ่านกับสัญญาด้วยอาจจะอาจจะตรวจสอบสัญญาว่าตอนนี้มีเงินอยู่ในธนาครรารเท่าไหร่อันนี้การจะเป็นหน้าที่ของสัญญาความจำได้มาเร<ง> <Bill. S 2> ื่เนี่ยแขนเสีมันจะทํางานพร้อมกันไปเป็นเป็ น, เ, ปนเหมือนเป็นทีมทํางานเพื่อตอบสนองต่อหาความอยากของท่านรู้ที่มีความที่มีอยู่ในใจที่มีอยู่ในใจของท่านรู้ไม่ได้เป็นของท่านรู้หรอกแต่มันเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในท่านรู้ที่เราเรียกว่ากิเลส ไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวปัญหาที่มีอยู่ในธาตุรู้ก็คือตัวกิเลสตัวตัณหาความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยพอเห็นรูปชอบเนี่ยก็สั่งออนไลน์เลยรูปเสียงกลิ่นรสชอบก็สั่งมากเลยก็จะเป็นหน้าที่ของขันนา ม, มาขันน้งสีที่จะทําหน้าที่เหล่านี้ให้กับจิตคือธาตุรู้จิตเพียงแต่ละเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้สั่งการพอทำการผ่านทางสังขารพอ ตัหาบอกซื้อเลยจัดการเลยสังขารก็สั่งให้นั่งกายทำงานทันทีมือก็ขยับเนี่ยถ้าใช้คอมใช้โทรศัพท์ก็ให้กดไปตามที่ต้องการอะไรต่างๆนี่คือจิตหรือธาตุรู้ที่ทาหน้าที่ย่ทุกวันนี้เป็นผู้คอยสั่งการตอบสนองตันหาความอยากของพวกเรากันของของของาตรู้ของจิต อ, อย่าว่าของ่าตรู้เยของกิเลสนี่ะของ ของความอยากแล้วความอยากตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่จะคอยดึงให้จิตนี้ไปเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะพอร่างกายนี้ตายไปจิตก็จะสั่งให้ร่างก์ปัญหาความอยากก็จะสั่งให้จิตนี้ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่แต่ก่อนจะไปเกิดใหม่จิตก็ต้องอยู่ ต้องไปใช้กรรมใช้บุญก่อนเพราะได้ทำบุญทำกรรมไว้ล้าบุญกรรมได้มีที่พ้นต่อต่อการเป็นเป็นอยู่ของจิตในขณะที่ไม่มีร่างกายถ้าบุญก็จะเป็นก็มมที่พ้นที่ดีส่งให้ทำให้จิตอยู่ในสารภาพที่มีความสุขถ้าเป็นบาปก็จะส่งให้ทำให้สารภาพของจิตเป็นทุกข์ จิตที่เป็นทุกข์ในขณะที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าอบายทุกขติจิตที่มีความสุขเป็นเป็นเครื่องอยู่ก็จะเรียกว่าสุ ข, ขติคือสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วพอทุกขกสุขที่มีในจิตนี่มันมีกำลังพอกันมันก็เลยเป็นการขึ้นมา พรเป็นกลางมันก็เป็นเชื่อมที่มันจะไปได้รับร่างกายใหม่ของมนุษย์มาเกิดใหม่นี่คือเรื่องของจิตคือธาตุรู้ไมทราบว่าอันนี้พอจะเข้าใจไหมธาตุรู้นี้ไม่มีวันตายไม่มีตายธาตุทั้งหกนี้ไม่ตายมันเป็นแต่ธาตุสี่คือดินน้าลมไฟที่มารวมกับร่างกายมันก็กลับคืนสู่ที่เดิมของมันน้ําก็กลับไปหาน้ํา อากาศเรื่องลมก็กลับไปหาลมไฟก็กลับไปอยู่กับไฟดินก็กลับไปอยู่กับดินแล้วก็เป็นไปรวมตัวกันใหม่ <Okay. S 1> พอเราไปกินข้าวเราก็เอาธาตุดินเข้ามาใหม่ธาตุน้ําเข้ามาใหม่ธาตุลมเข้ามาใหม่เราก็ลมหายใจธาตุไฟก็ความร้อนจากแสงแดดมันก็เป็นอย่างเนี้ย ธาตุมันก็เลยหมายกับว่ามันก็รวมตัวกันแยกตัวกันธาตุทั้งห้านี่มันมารวมตัวกันแยกตัวกันธาตุทั้งสี่นี้ก็อยู่ในอวกาศส่วนธาตุที่ห้าคือจิตนี่อยู่ในโลกทิอยู่อยู่เองมิติหนึ่งครับอาจารย์ครับอย่างนี้จริงๆแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะทําให้ธาตุทั้งห้านี้ไม่มารวมกันใช่ไหมครับที่เราเกิดมานี้เพราะว่าหมายถึงว่าถ้าเวลารวมกันแล้วมันทุกข์ มันมีการเสื่อมมันมีเจริญแล้วก็เสื่อมเบื้องต้นมันจะเจริญใช่ไหมในกาได้น่างกายครับเวลาคลอดออกมานี้เป็นทารวบแล้วมันก็เริ่มเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาแต่การเจริญก็สร้างความทุกข์ให้กับจิตเพราะต้องคอยหาหาปัจจัยสี่หาธาตุสี่มาแล้วเลี้ยงร่างกายให้มันอยู่ทดมันก็มีทุกข์ตังต้งๆเกิดมาทุกข์ในการที่จะเลี้ยงดูร่างกายให้มันเจริญเติบโตและปลอดภัยจากโรคภัยทั้งหลายครับคุ เริ่มต้นก็เป็นภาระของพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้รับภาระเลี้ยงดูเด็กทารกจริญกระตั้งเด็กทารกโตเป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวดูแลตัวเองได้ก็ก็ดูแลตัวเองต่อไปแล้วก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขตามความอยากของตัณหาตามความต้องการของตัณหาเทนั้นเองความสุขที่ได้นี้เป็นความสุขที่ตัณหาต้องการแต่เป็นความสุขปลอม ว่าเป็นความสุขไม่จีรามเป็นความสุขชั่วคราวได้อะไรมาก็จะให้ความสุขชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หมดไปแล้วก็ต้องหาสิ่งใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆอยูย่ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจบก็มีความสุขเพลิดเพลินกับการดูภาพยนตร์แล้วเดี๋ยวก็ต้องลองดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ต่อเพราะดูเรื่องเก่าไม่สนุกนะมันไม่สุขเหมือนเรื่องเรื่องใหม่มันก็ต้องคอยหาความสุขมาเติมอยู่เรื่อยๆ แลช่วงไหนถ้ามีปรปสรรคเช่นช่วงมีโควิดเนี่ยก็เกิดความทุกข์กันทั่วโลกเลยนะคนจะไปไหนมาไหนเหมือนที่เคยไปไม่ได้ที่ไปไหนมาไหนส่วนใหญ่ก็ไปเพราะตั้หาความอยากพอเกิดตั้หาแล้วทาตามความอยากไม่ได้ก็เกิดทุกข์กกกขึ้นมาทุกนาฬญาศาสตร์ก็ปรากฏขึ้นมาทันทีเนี่ยตอนเนี้ที่เป็นตัวที่ทําให้จิตท่านรูนี่ทรมานก็คือทุกข ที่กิจากความอยากต่างๆนี่ครับพระอาจารย์ครับอย่างนี้พระอรหันต์ที่ปรินิพานเรียบร้อยเนี่ยนะครับธาตุรู้ของท่านจริงๆก็ยังอยู่แต่ว่าเพียงแต่ท่านไม่ได้ยึดถือเป็นตัวตนของท่านอย่างนี้ผมพูดงนี้ถูกไหมครับอาจารย์ท่านไม่มีตัญหาความอยากครับท่านไม่นามขันก็ยังอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ยังอยู่และบางทีบางโอกาสท่านก็ใจะให้นี้ติดต่ อ, อ ก, กับนามขันของ ของท่านรูปดวงไม่นได้เช่นพระพุทธเจ้าบางรูปก็อาจจะมาสมณะธรรมกับครูบาอาจารย์บางรูปก็ได้ถ้าท่านมีพลังจิตคือมีอุปจารสมาธิอย่างหลวงปูม่มั่นนีท่านเล่าให้ฟังว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์มาสแสดงธรรมมาสอนท่านซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่มีในพระไตจปิด จึงทําให้ผู้เชี่ยวชาญทางพระไตรปิฎกถึงกับแยังว่าอันนี้เป็นความเพเจื่อของหลวงปู่มั่นหรือเปล่าถ้าเคยอ่านตอนหลวงปู่มั่นในณท้ายเล่มนี้นจะมีคำล่าชว่าทักเล็กผู้ชนานาญมีความรู้ทางด้านได้ศึกษาพระไตรปิฎกมาพอสมควรแตร่วันี้เรื่องเหล่านี้ไม่มีในพระไตรปิฎกเขาคิดว่าพระอาหารพระเที่ยวสูงแล้วก็จบไม่มีการคืออันตรธานหายไปเขาคิดอย่างไร ไม่หายจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันยังอยู่เพียงแต่ว่าเรากับท่านติดต่อกันไม่ได้เพราะไม่มีไม่ ม, มีตัวเชื่อมตัวเชื่อมก็คือร่างกายสมายที่ท่านมีร่างกายท่านม่ใช้ร่างกายติดต่อกับพวกเราได้ครูบาอาจารย์ต่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ตอนที่ท่ามีร่างกายท่านก็สามารถติดต่อกับพวกเราสั่งสอนธรมรมะกับพวกเราได้เพราะไม่มีร่างกายแล้วนี้ จะไม่สามารถสอนพวกเราได้ยกเว้นพวกที่มีพลังจิตที่สามารถติดต่อกับโยกจิตโวงอื่นได้โดยที่ไม่ต้องผ่านทางร่างกายซึ่งมีน้อยมากในบรรดาผู้ปฏิบัติบ้านหลานทุกรูปก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จะมีพลังจิตขนาดนั้นคือเพียงบางรูปบา ง, บางองค์เท่านั้นที่มีพลังจิตที่จะสามารถติดต่อกับจิตของขอ ง, ของผู้อื่นได้โดยที่ไม่ต้องผ่านทางร่างกาย ต, ตอนที่พระเจ้ามีมีพระชวนชีพยอยู่พกะพุทธเจ้าก็ติดต่อกับจิตของพระมารดาจิตของพระมารดาตอนนั้นก็อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนะั่ง <Okay. S 1> พระพุทธเจ้าก็ส่งเรือนญาติค้นหาจนเจอแล้วก็ติดต่อกับจิตของพระมารดาซึ่งมันจะต้องลงมาจากชั้นดุสิตมามาฟังธรรมอยู่ที่อชั้นหนึ่งมันไม่ทราบถ้าเข้าใจไม่ผิดนะแต่ก็สามารถติดต่อไปได้ ได้ทรงแสดงธรรมสอนจนพุทธมารดาได้มนรษยเป็นพระโสดามันอมนุษย์นะพพุทธเจ้าก็เสด็จลงจากสวรรค์มันวันตัดบาทเทโวเนี่ยพุทธเจ้าไปไปแสดงธรรมอยู่สามเดือนความจริงไม่ได้ตว ร, ราการไม่ได้ไปก็ทรงแสดงธรรมในช่วงดึกที่ทรงแสดงธรรมให้กับเทวราทั้งหลายทุกคืนอยู่แล้วก็มีรวมอยู่พุทธมารดาร่วมร่วมฟังอยู่ด้วย จนบรรลุเป็นพระสดาบังก็ถือว่าสามารถทําทําปฏิบัติต่อได้โดยที่ไม่ต้องมีกนะูบาจารย์คอยสนถ้าเป็นพ้าเป็นพระสุดาวังก็เคยเข้าสู่กระแสพระนิพพานนะไม่หลงทางนะเป็นดาว่าจะช้าหรือจะเร็วทนะั้ถ้ามีกูบาจารย์คอยนนแนะแนวก็อาจจะเร็วกว่าผู้ที่ไม่มีกูบาจารย์คอยนนแนะแนวแต่ไม่มีกูบาจารย์ก็าสามารถใช้อริยสัจสีที่ได้รู้ใี้เป็นเป็นตัวคอย ค่อยพาไปได้เหมือนกันแต่จะต้องลองผิดลองถูกอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้ามีกูบาจารี่จะคอยถ้ามีปัญหาไปถามได้ท่านตอบให้ถัดต่อไปทำนี้ไม่ใช่ทำไปทางนี้อะไรทำเลานี้นี่คือจิตของพออาาระอรหันต์จิตกุฏิจายังอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่และเชื่อว่าบางจิตพระของกุฏิจายบางรูปอาจจะยังติดต่อกับจิตของผู้ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ อาจจะเป็นเพราะว่าท่านอาจจะมีความสัมพันธ์การลึกในอดีตชาติมาก่อยก็ได้จึงทําให้ท่านนล็ดถึงกันได้ขานาด จ, จะเป็นพ่อแม่กันเป็นผู้มีพระคุณต่อกันอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ทราบนั้นนี่เป็นการล่นเดาแต่ผู้ให้ฟังว่าเป็นไปได้แต่ไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญสําหรับพวกเราประเด็นสําคัญของวเราคือกําจับไอตัวตันหาความอยากสามตัวนี้ให้มันหมดไปจากใจเนทะ่านั้น เราเป็นตัวที่พาให้เราต้องมารวมกับธาตุสี่เรื่อยๆรือมามีร่างกายเรื่อยๆแล้วมาทําบาปแล้วเราก็ต้องไปอยู่แนบายในเวลาตายไปถ้าทาําบาปท่านนั้นเองนี่คือปัญหาของพวกเราพระเจ้าจถึงสอนแบบคบูณจรมีสามข้อใหญ่ๆอย่าทําบาปป้องกันจิตไม่ให้ตกไปแนบายด้วยการไม่ทำบาป ไปรักษาศีหน้าให้ได้ท้งนี้แหละศีหน้าข้อท่านนั้นเองจะป้องกันไม่ให้ตกไปในบายได้แล้วก็ให้ทําบุญเพื่อจะได้ยกจิตให้ขึ้นสูงจากมนุษย์ไปสู่เทพแล้วก็ถ้าอยากจะขึ้นไปสูงวันนั้นก็ให้ชําระจิตด้วยการภาวนาทชำระจิตใช้สะอาดด้วยการภาวนาสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาก็จะพาให้จิตนี้กาจัดชำระ กิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจจะได้ไม่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปจะได้ไปอยู่ที่นิพพานนั่นเองครับพระพุทธเจ้าพระาวพระสงยอยู่ที่นิพพานคือจิตของท่านอยู่ในโลกจิตเนี่ยอยู่ในโลกทิฏนี่แหละเป็นแต่เป็นจิตที่ไม่มาเกาะมาติดกกับธาตเศษต่อไปหรือร่างกายแล้วก็ไม่อยู่ในในายบายไม่อยู่ในสุขติ เมื่อกี้พี่บอยถามคําถามมาพระอาจารย์ตอบเรียบร้อยเลยครับพี่บอยถามถามเพิ่มเติมว่าเราจะสอนจิตได้อย่างไรครับไม่ให้กลับมาเอาขันห้าก็พระอาจารย์พูดให้ทานฉีนาาเนี่ยท่านฉีนภาวนากลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผมจะเอาไปพิิจารณาและปฏิบัติต่อไปนะครับผมยจะขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับจากคุณสมพรครับ การซักฟอกขูดกิเลสตัวเองเห็นตัวกิเลสตัวเองแสดงว่าโยมมีสติมีตัวธาตุรู้เห็นตัวรู้ใช่หรือไม่ครับคือเห็นกิเลสไม่ได้เห็นธาตุรู้หรอจะเห็นธาตุรู้ได้จริงๆนี้ต้องจิตรวมเป็นอปปนาสมาธิแล้วเมื่อนามขันสงบตัวลงคือความคิดกิเลสต่างๆสงบตัวลงก็จะเหลือตัวรู้ตัวเดียวจะเห็นตอนนั้น แล้วงั้นจะไม่ได้เห็นเป็นตัวรู้จะเห็นเป็นจะเห็นจะเห็นด้วยจะเห็นสติจะมีสติคอยให้เห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกเห็นว่าโลภโกรธหเงท่านมีสติจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อกี้มีคําถามข้างบนไม่ได้ถามข้ามมาน่อนึงครับอาจารย์เขาถามว่าจิตกับวิญญาณนี่ใช่ตัวเดียวกันไหมครับตัวเดียวกันเวลาที่อยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตหรื้นใจ แต่เวลาไม่มีร่างกายแล้วเราก็เรียกว่าวงจวิญญาณอันนี้เป็นตัวจิตนะส่วนวิญญาณในตัวที่เราพูดถึงวิญญาณที่อยู่ในเป็นนามาขันนี้อยู่กับอยู่กับจิตตลอดเวลาไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายเวลามีร่างกายก็ดวงวิดวงวิญญาณในนามาขันนี้เป็นตัวทําหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสผุดภพมาจากตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อให้ ให้จตได้รับรู้เราจะได้ใช้สัญญาสังขารมาปรุงแต่งมาคิดว่าจะทําอะไรกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้สัมผัสรับรู้ <Okay. S 1> แต่เวลาไม่มีร่างกายก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นอย่างจิตใจเป็นวิ ญ, ญญาณหรืเป็นดวงวิ ญ, ญญาณ <Okay. S 1> เวลาไปเกิดเป็ได้ร่างกายใหม่เราก็เรียกว่าปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณ <Okay. S 1> คุณเจครับ รู้ว่าจิตมีผัดสะแต่ระ ง, งับยังไม่ได้บางครั้งได้บ้างบางครั้งไม่ได้ต้องปฏิบัติอย่างไรคะต้องสร้างตัวระ ง, งับตัวเบรกก็คือสตินี่ฝึกสติไว้เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาสัมผัสอะไรจะโลภจะโกรธจะหลงนี้เราสามารถใช้สติได้แต่เป็นการหยุดได้ชั่วคราวยังไม่ได้หยุดอย่างถาวรจะหยุดโลภโกนธหลง ไ, ได้อย่างถาวรนี้ต้องใช้ปัญญาคือต้องเห็นไตรลักษณ ในระยะสั้สีในสิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้ด้วยว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราควบคุมมังคับมันให้เที่ยงไม่ได้เลยชั้นา่างกายเราเนี่ยเรามาเรามาสัมผัสกับมันแล้วแล้วเราก็อยากเกิดปัญหาความอยากขึ้นมาทันทีอยากให้มันเที่ยงใช่ไหมอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เราห้ามมันไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตาย มันจะทำให้เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงและเป็นของที่เราไปทําให้มันเที่ยงไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายเพอยอมได้จิตก็จะไม่ทุกข์นี่นี่คือผลที่ใช้ปัญญาคือการใช้ไตรลักมาใช้ในการดับความอยากดับกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจ แล่บาตอนต้องมีสติก่อนถึงจะเห็นถึงจะเห็นเวลาเกิดกิเลสขึ้นมาถ้าไม่มีสตินี่ไม่เห็นเลยมันไหลไปกับกิเลสโดยไม่รู้สึกมันเป็นตัวอันหนึ่งอันเดียวกันเลยพอใจอะไรชอบอยากได้ทันทีตามตามไปเลยความอยากสามารถทำเลยทาเลยนี่แสดงลักษณะของคนไม่มีสติแล้วคนมีสติเรา่เห็นแล้วว่าเกิดความ อ, อยากขึ้นมาแล้วนะ แล้วจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาตามตามอย่างนั้นอันนี้ถ้าฝึกสติไม่ได้เรื่อยมันจะเห็นว่ามันจะกลับมามองที่จิตเนี่ยพอความอยากมันเกิดในจิตแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมันมันเกิดในจิตแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกจิตให้มองขึ้นมาข้างในด้วยสติมันจะมองแต่ไปข้างนอกเห็นอะไรชอบปัก็ ว, วิ่งไปความาปุ๊บเลยเห็นอะไรไม่ชอบก็เขีย่ยทิ้งทันที ยังต้อฝึกสติพูดง่ายๆฝึกสติแล้วจะจะรู้ทันกิเลสจะรู้ตอนนี้โลภตอนนี้โกรธมีคำถามจากคุณตุกตาครับการมาสการข่าพระอาจารย์มีเรื่องรบกวนสอบถามหนูแต่งงานแล้วสามีรับช่วงกิจการต่อจากครอบครัวเขาเป็นโรงฆ่าสุกรอยากขายไปทำอย่างอื่นแต่ยังขายไม่ได้ค่ะ อยากถามว่าถึงแม้เราไม่ได้เป็นผู้ไปลงมือทําแต่เป็นผู้ได้เงินกินใช้จากเงินส่วนนี้ถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งไหมคะถ้าเราไม่ได้ทําเองหรือสั่งเาสั่งให้เขาทํานี้เราก็ไม่มีส่วนแต่มันก็เป็นเรียกว่าไม่ใช่เป็นสัมมาชีวะไม่ใช่เป็นอาชีพที่เราควรจะทําพราเป็นการทําให้ผู้เสียหายเกิดเสียถึงกับชีวิตเสียชีวิตได้ อันนี้ก็พูดยางนะเพราะว่าเราเราจะสั่งหรืไม่สั่งก็ไม่รู้เพราะว่าเราอาจจะไม่สั่งโดยตรงอาจจะสั่งโดย อ, อ้อมโดยการที่เราเราได้รับผลประโยชน์จากการกระทําสิ่งเหล่านั้นแต่อาจจะถือว่ามันมันอาจจะไม่หนักเท่ากับกล่าวด้วยวาจาโดยตรงสั่งเขาว่าให้ทำหรือว่าทาด้วยตนเองอันนี้ถือว่าเป็นการทําบัตโดยตรงอันนี้อยาจจะถือว่าเป็นการทําบัตทาง อ, อง้อมนะ เป็นทางที่ดีที่สุดถ้าเราไม่อยากจะมีส่วนด้วยก็คืออย่าอย่าอย่าไปรับมันผลประโยชน์ที่ได้จากจากอาชีพนี้เลยรครับคุณน้องหลินครับถามสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งสอบถามหนูไม่ได้สนใจร่างกายไม่ได้กลัวตายค่ะแต่สัมผัสได้ว่าวันนี้เห็นกา ก, ากเพชรบนผิวหนังเลยเอาสิ่งที่เห็นไปเปรียบเทียบกับพื้นดินบนถนน ไม่ต่างกันนี่คือการระงับความคิดความอยากต่างๆใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่หรอกเป็นการใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นเป็นธาตุมีธาตุินเช่นกับแบบที่เห็นอยู่นี้มันก็เป็นเป็นธาตุินเมื่อเวลาที่เราปัสสาวะออกมาเราก็พิจารณาว่ามันเป็นธาตุน้ำความร้อนที่ออกจากร่างกายเราก็เรียกว่าธาตุไฟส่วนแข็งที้ยังอยู่กับร่ง ส่นแขงมังส่วนที่หลุดออกมาอย่างกากเพ่อ น, นี่ก็ถือว่าเป็นธาตุนี่เรียกว่าถือว่าเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเป็นธาตุสี่ในน้ำหนุนไฟไม่มีตัวไม่มีตนข้อที่สองเมื่อไม่ค่อยหิวดื่มน้าเปล่าก็ได้ตรงนี้ก็ต้องทานอาหารทุกเช้าเพื่อขอบคุณร่างกายที่ยืมใช้ใช่ไหมเจ้าคะคือไม่ใช่ขอบคุณหรอกเราต้องเลี้ยงดูร่างกาย ถ้าเราไม่ให้สิ่งที่ร่างกายต้องการไม่ใช้ก็แล้วร่างกายก็ต้องตายนะนี่เมื่อเรายังไม่อยากให้ร่างกายตายไปเราก็ต้องให้สิ่งที่ต้องร่างกายต้องการก็คือปัจจัยสี่อาหารเครื่องดูดหอบที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคคุณนรลักษ์ครับได้ฝากคุณเอใส่บาทพระอาจารย์แล้วรู้สึกมีความสุขมากเจ้าค่ะนี่คือกิเลสไหมเจ้าคะ อาอไม่หรอกนี่คือผลแห่การทมีน้ทาทานทาบุญทำทางแล้วจะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาจากคุณสมพรครับการที่โยมเห็นความทุกข์จากการยึดมั่นถือมั่นในคนรักจึงยอมปล่อยทุกคือการปล่อยการยึดมั่นไปจึงเสมือนโยมเพิ่งเข้าใจว่าความรักที่แท้ในเชิงราคะคือการไม่ยึดมั่นไม่ยึดเอาเขามาเป็นของเราจึงยอมปล่อยไป ก่อนหน้านั้นสิห้าปียึดเขาไว้ตลอดพอปล่อยเขาไปเสมือนเพิ่งเข้าใจความรักที่แท้คือการไม่ยึดมั่นเอามาเป็นของเราอย่างนี้โยมเข้าคิดถูกทางทำแล้วใช่ไหมครับถ้าเราไม่ทุกข์กัเก่าก็าใช่ถ้าเรายังทุกข์อยู่ก็ยังไม่ใช่คุณอโนทัยครับกาพ้าอาจารย์ค่ะจิตเกิดดับเป็นอย่างไรคะแล้วเราจะเห็นจิตเกิดดับได้อย่างไรคะปุตชนสามารถเห็นได้ไหมเจ้าคะ เขาว่าจิตเกิดดับนี้ไม่เน้ไม่เน้นหมายถึงตัวตัวจิตเองเปรียบเทียบตัวจิตนี้เหมือนเป็นเหมือนตัวหิ่งห้อยแต่แสงแสงหิ่งห้อยนี่มันเกิดดับเกิดดับสิ่งที่เกิดดับนี้ไม่ใช่เป็นตัวจิตแต่เป็นอารมณ์ของจิตที่เกิดดับเกิดดับในจิตนี้มีอารมณ์ที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวอะไรต่างๆนี่เรียกว่าเราใช้ตเราเรียกอารมณ์เหลนี้ม่าเป็นตัวจิต อรายังนนไม่ถูกเราต้องไดต้งีว่าตัวอารมณ์ที่อยู่ในจิตที่มีการเกิดดับอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานันแต่ตื่นขึ้นมาแม้กระทั่งตอนนอนหลับมันก็เกิดดับเกิดดับในรูปแบบของความฝันแต่ตัวจิตไม่มีวันดับคุณพีโกครับเรียนถามพระอาจารย์ทำสมาธิแล้วเคลิมหรือนั่งหลับในสมาธิจะทำอย่างไรให้มีสติตลอดเวลาไม่หลับในสมาธิครับ ก็ต้องพยายามฝึกสติตอนที่เรามานั่งซึ่งเราสามารถฝึกได้โดยที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยากเย็ น, นยเลยเช่นพอเราเติบขึ้นมานี้เราสามารถเจริญสติได้เลยช่นเราใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปในขณะที่เราเตรียมตัวที่จะไปทํางานนี่ก็เราใช้เวลาว่าง น, นี้เป็นการฝึกสติได้พราะเราไม่ต้องใช้ความคิดการฝึกสตินี้ก็หยุดความคิดดังน้นเราสามารถที่จะไปทํากิจส่วนตัว อาบ น, น้ำ่ะถ้านั่งหน้านแต่งตานะก็ใช้บริการพูดโธเพิ่มระงับความคิดปู่แตกต่างไม่ไปคิดถึงคนนศค น, นนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ะยังไม่ถึงเวลาจะคิดก็อย่าเพิ่งไปคิดมันนี่คือเป็นการถิดสติคือการระงับความคิดนั่นเองแล้วก็จะเป็นทำให้จิตมีความรู้สึกตื่นตัวรู้สึกตัวตลอดเวลา ถ้าเราไม่ใช้คําบริกรรมเราจะใช้การเข้าดูการเคลื่อนไหว ต, ต่างๆของร่างกายก็ได้การเคลื่อนไหวการกระทำงาน ต, ต่างๆของร่างกายนี้เราจดจ่อเฝ้าดูทุกอิเลียบทเลยแปลควันก็อยู่กับการแปลควันอาบน้าก็อยู่กับการอาบน้ําไม่ใช่ให้ใจให้ร่างกายอาบน้าแต่ใจไปถึงที่ทํางานแล้วหรือไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อย่าให้ใจวิ่งไปวิ่งมาให้อยู่กับ ร, าราบ่างกายทุกอิเลียบทของาการเคลื่อนไหว อันนี้เป็นการฝึกสติไม่ว่านั่งสมาธิจะไม่ไม่เคลิมถ้าเคลิมก็อาจจะเป็นเพราะเรารับประทานอาหารมากเกินไปถ้านั่งสมาธิช่วงที่หลังจากรับประทานอาหารแล้วมันจะมีปัญหาเพราะมันจะง่วงหน้งหนังท้องตึงแล้วหนังตา ม, มันจะหยอนนี่เขาเปน็นเขาพูดยิ่งเขาถึงไม่ริยมรับประไม่นั่งภาวนาหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จไป มักจะใช้การเดินจบกรมแทนไปก่อนเดินจงกรมแทนนั่งสมาธิแล้วนั่งรู้สึกอาการง่วงเหงาอันี้มันหวกไปแล้วจัด ก, การรับประทานอาหาแล้วถึงค่อยมานั่งสมาธิต่อกพระอาจารย์ตอบคาถามอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นคำถามถัดมาพระอาจารย์ตอบไปแล้วนะครับเพราะนั่งสมาธิเขาจะมั่งฉับชือสิงแสกั น, นไม่กินข้าวเย็ยนงั้นตอนเย็ยนจะได้นั่งสมาธิได้ กลาคืนหรือถ้ากินขา้าเห็นรับรับประกันได้หลังจากนั้นก็นอนดีกว่า <c oughs> อาจารย์ข้าวที่ผมถามถามต่อเนื่องนะครับ อ, อแล้วตอนที่ตอนพระอาจารย์บอกว่าอาบน้าบนาําอาบน้ำให้รู้สึกอาบน้ําเนี่ยคือผมก็พยายามทําว่าเออถ้าน้ําสัมผัสตัวก็รู้สึกว่าอย่างนั้นหรือกิริยาท่าทางที่ตามดูหรือว่าผมใช้แค่คําว่าอาบน้ําอาบน้ําอาบน้นํานี้พอไหมครับอาจารย์หรือใช้ยังไงดีครับ ยังไรก็ได้ทําให้ใจเราไม่ไปคิดถึงที่เรื่องให้อยู่กับเรื่องของการอาบน้ำนนํำพันเองไม่ไปคิดถึงที่ทํางานคิดถึงแฟนคิดถึงเงินทองคิดถึงเรื่องราวร้อยแปดพัน 108, ประการที่จะคิดให้อยู่กับงานที่เร า, เรากำลังทำอยู่ในปจัจจุบันใช้งานเป็นงานที่เราทํานี้เป็นหลักยึดของจิตใจง่ายๆไม่ให้ใจลอยไปใจเรานี้มันเหมือนกับเรือที่อยู่ในน้ําเนี่ย ถ้าไม่ปลูกมันไว้กับท่ากับเสาเนี่ยมันจะลอยไปกับกระแสะน้ําถ้าเราไม่มีอะไรปูกใจไว้ใจมันจะลอยไปกับกระแสะของความคิดต่างๆแค่นั้นเองดังนั้นจะทําแบบวิธีไหนก็ได้เท่านั้นทําเพื่อไม่ให้คิดเท่นั้นงให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเรากำลังทําอะไรหรือให้เราอยู่กับพูดโทพูดโทรก็ได้ครับถ้าเราถ้ามันไม่ยอมอยู่กับงานที่เราลองทำอยู่ก็ใช้พูดโธช่วยช่วยอันหนึ่งก็ได้ ทำงานไปก็ทําพุตโทไปด้วยทำให้เราใช้ความคิดในการทํางานอาจารย์ครับวันนี้มีหลายคําถามจากเพื่อนๆถามเรื่องเขาชีโอนครับว่าจะติดต่ออย่างไรเพื่อจะไปขึ้นไปคนานาได้แล้วจะต้องไปครั้งละกี่วันอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์คือบนเขาชีโอนนี่นคำจริงเป็นที่ให้สําหรับพระท่านปฏิบัตินแต่ทีนี้ประเด็นจำนวนของพระที่ปฏิบัตินี้มีน้อยกว่า จำนวนค่าที่จะปฏิบัติเราก็ไดยอนุญาตให้กับผู้ที่สนใจที่จะขึ้นไปปฏิบัติส่วนใหญ่เราจะมักจะให้อยากให้ไปคนเดียวไม่อยากให้ไปกันเป็นคู่หรือไปกันเป็นฝูงพรามันจะมันจะไปรวมตัวกันแล้วมันจะไม่ไปปิดด้มยกันเพราะมันความกลัวความหนาอะไรก็แล้วแต่ยงมันจะเข้าไปหากัน นมักจะให้ไปคนให้ขอให้ไปคนเดียวแล้วต้องเป็นผู้ชายเพราะเป็นที่อยู่ของพระสำหรับบนเขานะที่ที่ที่พระอยู่นี้เป็นของผู้ชายแล้วก็อยู่ได้ถ้าที่ว่างก็มักเรามักจะให้อยู่ได้ถึงสองอาทิตย์เลงถ้าอยากจะอยู่ยาวถึงขนาดนั้นหลังจากนั้นก็ถ้ายังมีถ้ายังว่างอยู่ไม่มีทางมาขออยู่ก็อยู่ต่อก็ได้ อันนี้สําหรับผู้ชายซึ่งเรามักจะมีส่วนใหญ่จะเป็นชาว ต, ต่างชาติมัจะมาคอยอยู่กันเป็นพักๆกกันครับอนุญาตก็อยู่ข้างเสาเมทิตแล้วถ้าไม่มีใครจองที่ยังว่างอยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีปัญหาไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่ด้วยกันก็เขาก็ให้อยูต่อหน้แล้วก็อันนี้เป็นเป็นสตรอดส่วนของผู้ชายตลอดส่สวนของผู้หญิงก็มี อยู่ด้านล่างของป่าไม้มีเป็นของผ้านี่อยู่ด้านบนเขาของของผู้หญิงนี่อยู่ที่ตีนเขาเชิงเขาเป็นมั่นพักของเจ้าหน้าที่ป่าไม้มั่นพักรับรองที่เขาอนุ ญ, ญาตให้ผู้ที่เป็นสุภาพสตรีที่อยากจะมาปริดเว่ยปฏิบัติธรรมนี้อยู่ได้ก็ต้องจองอันนี้ก็ต้องจองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะให้พักครั้งละเกินไม่เกินเจ็ดค่ะเจ็ดวันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามี เมื่อมีว่าไม่มีใครจะมาคออยู่ต่อ้็จะให้อยู่ต่อได้อันนี้ก็แล้วแต่เหตุการณ์แล้วโดยปกติเขาจะติดต่อที่ไหนครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ผ่านแอดมินคุณบอยและคุณยาครับผมที่อยู่ในในห้องสูนของเรามี ค, คุณยาคุณบอยนี่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อได้นะครั บ, รบติดต่ออาจาร คุณวลีวันครับกล่าวพระอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์การที่เราทําบุญให้ผู้ลงรับไปแล้วถ้าเขารับบุญนั้นไม่ได้บุญนั้นจะอยู่ที่ใครคะเพราขามาหาเราเนี่ยโอ้เมื่อกี้เขาพูดต่อเมื่อกี้พูดถึงถึงข้างล่างของที่อยู่ของผู้หญิงนะพระบรผู้ชายนี่ก็ต้องติดต่อกับพระพระประพระัตหรือพระอิเมนก็ต้องถามคนที่เขามีเบอร์เช่น หมออย่างนี้คุณมอมดอยใช่ไหมอันนี้สําหรับผู้ชายเนี่ยสําหรับผู้ชายก็ที่จะไปอยู่กับผ้าบนเขาแล้วส่วนใหญ่เรามักจะเลือกคนที่เคยปฏิบัติแล้วถ้าก็ยังไม่เคยขึ้นไ ป, ไ ป, ปไปอยู่ปฏิบัติตาม่าตามเขามาก่อนเนี่ยอาจจะอาจจะให้พักอยู่ที่ข้างหน้าไปก่อนก็ไดเพราะมันความลำบากความสะดวกสบายนต่างกันไปอยู่ที่บ้านนี้เป็นอยากเป็นบ้านพักเป็นเป็นห้องมีน้ํามีไฟ แล้ไม่กิ จ, จวัตรให้ทําบางโบชาวเย็นไหวพระเสด็นบนนั่งสมาธิในโบขึ้นไปก่อนพราะถ้าขึ้นไปบนเขานี่ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติด้วยตนเองว่าไม่มีใครสอนไม่มีใครเลยนะไปอยู่ตามทางคนเดียวแล้วก็เดินจ้าโพนั่งสมาธิของตอนเองไปเมื่อจะอ่านหนังสือธรรมะได้ถ้าอยากอ่านหนังสือธรรมะอันนี้พูดถึงบนเขานะ อันนี้มีคนถามเรื่องนี้มาเยอะมากเลยครับผมก็ได้เกินแล้วว่าถ้าถ้ามีโอกาสก็เข้ามาในซูมแล้วก็ได้ไ ด, ได้ได้เรียนพระอาจารย์ก่อนก็จะดีครับพราะอาจารย์แล้วก็จะดูได้ว่าควรจะอยู่ที่ไหนนะครับเราไม่ต้องก็คือเราก็ไม่มีเวลาที่จะมากันกลอไเลยก็ก็บอกคร่าวๆให้ทราบอยู่ที่ตัวเรานะว่าเราไปได้หรืไม่ได้ให้เรารู้สภาพว่าถ้าไปมันไปแบบที่เราต้องเป็นคนที่รู้จักวิธีปฏิบัติเองนะ ยังต้องให้คนแนวแนะแนวอยู่พาปฏิบัติอยู่ไม่าากลจะรู้สึกว่าจะไม่ใช่แต่ ค, คุณวีนาครับขออนุ ญ, ญาตเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าคนเราตายไปแล้วสามวันในวันที่สามจึงจะรู้ว่าตัวเองตายไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อรู้ว่าตัวเองตายไปแล้วใครเป็นคนพาไปคะตามผลบุญผลบาปของเรากราบอาจารย์ค่ะเอันี้เป็นครับเข้าใจขึ้นเวลาตายไปเหมือนนอนหลับเนี่ยนอนหลับแล้วก็ฝันเลย ฝันดีก็เป็นสวรรค์ไปเลยฝันไม่ดีก็เป็นอันตายไปเลยฉะ้นไม่มีหลับสามวันอะไรนี้เหมือนเราเวลาเรานอนหลับเรารู้หรือเปล่าว่าเราหลับเมื่อเราฝันเรารู้ว่าเราฝันหรือเปล่เาล เ, า เ, า เ, าเาไม่รู้เราจะมารู้ว่าตอนที่เราตื่นนนัตอนที่เราเกิดใหมตอนที้ออกจากคลอดแม่ออกมาแล้วพอเราลอนโอแววแววแววตอนนั้นแบบเหมือนจะ็นการตื่นจากการหลับที่เป็นระยะเวลาอันยาวนาน เราอาจจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้กี่ปีเป็นน้อยปีก็ได้เป็นสิบปีก็ได้มันไม่แน่น้าแต่น่าแต่กำลังของบุญของบาปที่ได้ทำไว้แต่เรื่องสามันเจ็วันสิบวันนี้ไม่มีหรอกนะบางครั้งเข้าใจผิดนะพอตายปุ๊บนี่ก็เข้าสู่ระบบของความฝันเลยมันตอนที่นอนหลับตอนนอนหลับก็เข้าสู่ระบบของความฝันนั่นเอง ในการที่ฝันกไม่รู้ว่าตัวเองฝันไม่ไม่รู้ว่าตัวเองหลับแต่รู้ว่ากำลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้จะมารู้อีกทีก็ตอนที่ตื่น ม, มันเนาะเม้่ันคีฝันไปเนะนี่ยคุณเสกสรรครับราการนันทสการพระอาจารย์ครับอยากทราบว่าพระที่ผิดพระวินัยส่งแล้วถูกจับศึกจะกลับมาบวชได้อีกเมื่อไหร่ครับแล้วแต่ว่าผิดข้อไหน ถ้าผิดสีข้อที่เรียกว่าประราชิกนี้ก็กลับมาบวชไม่ได้ประราชิกสี่ก็มีหนึ่งการข้ามนุษย์เนี่ยสองการเสดเมถุนหรือการร่วมหลับนอนกับศีกขาสามการการลักทัพช่อโกงอย่างเงี้ยเขาเรียกวันหนึ่งมาศนี่มีหนึ่งมาศนี่ไม่ทราบประมาณเท่าไหร่เพราะว่าถ้าประมาณทางองคําำมาเลศข้าวเหลือมาเล่นข้าวเนี่ย เป็นทองคำมาเล็กขนามาเล็ข้าวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งมาสุดแล้าชอบโกงหรือขอโมยทรัพหนึ่งมาสุดก ถ, ถ้าถูกจับเศึกแล้วก็จะกลับมาบอกได้ข้อที่สี่นี่ยากหน่อยคือการอวนอุตริว่าได้บรรลุขันนั้นท่านนี้แต่ไม่ได้เป็นความตามความเป็นจริงอันนี้ก็ยากต่อการพิสูจน์ว่าสิ่งที่นั่งพูดนี้จริงหรือไม่จริงและผู้ที่จะมาตรวจก็ ลำบากเพราะผู้ที่สวชต้องรู้ต้องเป็นข้อผู้ที่บรรลุแล้วถึงจะรู้ว่าภาพที่ผูนูนี้พูดจริงหรือพูดไม่จริงแต่นี่คือสี่ข้อเลยครับที่ทําไปแล้วนี้ก็จะกลับมาบวชไม่ได้แต่เนื่องจากการบวชสมัยนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยรัดขุมไม่ค่อยรอบรอบไม่มีระบบเหมือนระบบของทางราชการของตํำรวจที่มีเก็บข้อมูลต่างๆไว้ชายคนนี้รสึกจากวันนี้ไปอาจจะไปบวชอีก จังหวัดอย่งนี้วันหนึ่งก็ได้ที่ไหนก็ได้ถึงยาวาดหรือเต่าประชาทชนก็เป็นแบบพระยุคไดโนเสาร์ไม่มีระบบจัดการเรื่องข้อมูลต่างๆเห็นมาทําตัวดีอกาให้อยู่เป็นผ้าขาไปพอาทาตัวไม่มีผิดมากแล้วก็อนุญาตให้บวชได้ก็บวชไปก็เป็นโมคามไปเลยไหมครับอาจารย์บวชโมคาไหมครับหรือว่าก็ไม่เป็นไรก็ปฏิบัติได้อยู่ คือถ้าถ้าจับได้ว่าเป็นประราชิดก็ต้องถือว่าเป็นโมนคาถ้าโดนจับศึกด้วยด้วยข้อของประราชิดนี่แต่บางทีก็ไม่มีข้อมูลที่จะแจ้งให้พระอุปรชาชทุกงลูกสาวนายคนนี้ได้ถูกศึกไปด้วยประราชิดแล้วและถ้าเวลาไปบวชไม่ไปบอกเกาไม่มีใครรู้ปอบมากม า, มายยังไงสมัยนี้เขามีมีข้อบังคับ สองข้อที่สำหรับผู้ที่มาบวชก็หนึ่งเรให้ตรวจโรคว่ามีโรคติดต่อรือเปล่าเพราะช่วงที่มีโรคเอดสระบาดเขาขลัวจ้าเอกมามาเผยแพร่กับพระในวัดก็เลยต้องให้ไปตรวจดูว่ามีโรคมีโรคโรคโรคระบาดติดตัวมาหรือเป่าเช่นโรคเอดส์ซึ่งตอนนี้โควิดด้วยก็ต้องติดตรวโควิดด้วยหรืออาจจะเป็นโรคอย่างไหนก็ได้เช่นอะไรโรคตับไวรัสตับอะไร ที่อาจจะทำให้แพทย์ได้นั้นต้องให้ตรวจโรคตรวจตรวจโรค ก, ก่อนข อ, อหนึ่งข้สองให้ตรวจประวัติต้องไปที่ไปให้สถานีตำรวจรับร อ, องมาว่านายคนนี้ไม่มีประวัติทางอาชญากรรมครับส่บตัวมาคุณแองเจลติฟาครับการทำสมาธิภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆจนจิตสงบ จะสามารถเข้าฌานได้ทุกคนหรือเปล่าคะขอความเมตตาพระอาจารย์คะได้ถ้าสติต่อเนื่องไม่ไปคิดอะไรเลยให้อยู่กับลมเพียงอย่างเดียวแล้วอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวก็จะเข้าได้แต่ส่วนใหญ่มันจะทํายากเพราะอาจจะอยู่กับลมได้แค่ห้าวินาทีหรือพุโทโธแค่ห้าวินาทีกบบ็วับไปละไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วยากต่อ ก, การที่จะเข้าได้ คุณอุครับเด็กที่เกิดมาพ่อแม่ไม่ต้องการจะดำรงชีวิตในปัจจุบันได้ต้องมีความคิดเห็นอย่างไรจึงจะไม่ฆ่าตัวตายหนีทุกเจ้าคะก็ให้คิดว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันเราทากรรมอดีตมาทําให้ผู้ปกครองของเรานี้เขาไม่ต้องการที่จะเลี้ยงดูเราเราก็ผู้ปกคของอาจจะเคยเป็นเจ้ากรรมในเรื่องกันมาก่อนก็ได้นะเาอาจจะไม่ชอบเรา แเราก็เราก็เราก็พึ่งตัวเองพยายามพึ่งตัวเองไปถ้าเราเพึ่งตัวเองได้แล้วพึตัวเองไม่ได้ก็ต้องหาผู้ที่เขาจะเลี้ยงดูเราได้เป็นผู้ประทังไปหาชีวิตที่มีคุณค่าเราคิดอย่างนี้การมาเกิดเป็นมนนี้เป็นของยากมากและมีคุณค่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา เพรนี้เป็นปัจจัยสาคัญสองข้อที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างง่ายดายคือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์สองการมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้สั่งผู้สอนวิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆง่ายกามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีพุทธศาสนานี้ก็โอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นี่เยอะเป็นไปได้ยากมากแล้วก็เป็นไปได้ถ้าเราเป็นพระโพธิสัตว์ การที่ประกาศเป็นมนุษย์นี้เราต้องมีความนักและผูกแหงเพราะเป็นของที่มีคุณค่ามากเราสามารถสร้างอะไรต่างๆได้ถ้าเราเป็นผู้ต่อสู้เป็นผู้ขยันมีความอดทนมีความใฝ่รู้ฝ่ศึกษาชีวิตของเรานี้สามารถก้าวไปได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสนับสนุนเราก็ได้ให้เรามองในในแง่ดี แต่ไปคิดท้อแท้แล้วก็คิดฆ่าตัวตายไม่เกิดไปอะโยชน์อะไรการฆ่าตัวตายนี้มันเป็นการทําลายโอกาสอันดีงานและการจะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ไม่รูยเมื่อไหร่ถ้าตายด้วยการฆ่าตัวตายนี้อาจจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในราฉานก่อนก็ได้เมื่อครตกตะลุยก่อนเน้นอย่าฆ่าตัวตายเป็นอันขาดให้มันตายของมันเองามบาระของมัน คุณรัปภาครับความสุขที่เกิดจากภายในมันมากกว่าสุขที่เกิดจากสิ่งเรา้าจากภายนอกมากมายไหมครับพอจะเปรียบคาดคะเนได้ไหมครับก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็มีความสุขจากภายนอกในระดับของพระราชามาแล้วครับท่านก็ยังไม่เอาเลยท่านไปหาความสุขที่เกิดจากภายในซึ่งท่านเคยสัมผัสอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ท่านเป็นเด็ก ตอนที่ท่านประทับอยู่ตามลำพังแล้วจิตของท่านนี่เคยเข้าสู่ความสงบ ก, ก็เข้าไปได้อย่างอัปนอมัติทําให้พระองเห็นว่าโอ้ ม, มีความสุขเองแบบหนึ่งที่เหนือกว่ความสุขทางตาหูจมูกทิก้งกายพระองจึงตัดสินใจออกบวชหลังจากที่ได้เห็นเทวทูตสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายและเห็นนักบวชจึงรู้ว่าทางที่ไปสู่ความสุข ที่แท้จริงนี่คือทางของนักบวกเพราะถ้าอยู่ต่อไปน่ากายก็จะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตางูจมูกนินวกายไดค้คุณรัทครับอยากถามว่าเมื่อเราไม่ขวนขวายในสิ่งที่ไม่มีและพอใจในสิ่งที่มีทำให้จิตของเราสามารถรับรู้ถึงความสุขได้อย่างไรครับ ก็จิตเราต้องสงบเป็นิ่งด้วยด้วยสติไม่ใช่อยู่เฉยๆเราจะทําไม่ไม่ขนขวายมันไม่ได้เพราะ ใ, ใจเคลื่อนแล้วมันให้เราขนขวายหารูปสิงกินลดอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาถ้าเราไม่ได้รูปสิงกินลดมาเสกมันก็จะสร้างความทุกข์ความไม่เงียบใจให้กับเรางั้นตอนนี้เราอยู่เฉยๆไม่ได้ตอนนี้เราต้องขนควายหาสติหาสมาธิกัน ไม่ให้อยู่ดีๆจะให้จิตมีสติมีสมาธิขึ้นมานี้มันไม่มีหรอกมันเป็นแบบไม่ได้นี่ให้เราคุนขวายในสิ่งที่เราบควรจะคุนขวายคุนขวายหาธรรมะกันหาสติหาสมาธิกันพ่าเมื่อเราได้สติได้สมาธิเราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปุกและมันี้จะทําให้เราอยากจะค้นขวายปัญญาต่อไปเพราะปัญญาเราเราจะรู้ว่าปัญญานี่นะ่ะจะเป็นตัวที่จะรักษา ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ให้เป็นความสุขที่ถาวรต่อไปคุณสมพรครับทำอย่างไรให้มีสติรู้ตัวรู้ของธาตรู้ตลอดเวลาหรือว่าในตอนที่เรารู้ตัวรู้กลายเป็นการรู้ธาตรู้ที่ยังมีอัตตาองเล็กแต่ตอนที่ไม่มีสติไม่รู้เท่าทันตัวรู้เป็นการรู้ตัวทัตที่แท้จริงเพราะเราไม่รู้ธาตรู้ไม่มีตัวรู้จึงไม่มีอัตตา ตัวตนแท้จริงในขณะที่รู้ธาตุรู้กลับกายเป็นการมีอัตตากลับอาจารย์ครับเฮ้ยอยวไปสนใจเรื่องธาตุรู้อัตตาตอนนี้ให้สนใจอยู่ที่มีสติอยู่กับร่างกายแค่เพียงอย่างเดียวนะครับให้หยุดคราบชีพปุ่มแดดให้ได้ให้เข้าสมาธิให้ได้ก่อนเนี่ยคิดไปก็เหมือนวนอยู่ในอ่านตอนนี้งงเลยตัวรู้ธาตุ <c oughs> รู้ตัวอะไร <c oughs> อะไรปนกันไปหมดเนี่ยกำลังกำลัำงหนงกำลังว น, นอยู่ในอ่านนะ ว่าความคิดปรุงแต่งตรนี้เถอดมันไม่ใช่เป็นทางที่จะไปพาให้เราไปสู่ตัวรู้ตัวตาจะให้เราเห็นตัวตาตัรูน้นี้เราต้องหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดด้วยสติเพรนั้นหลักเจริญสติ ต, ตัวเดียวนี้แหละให้มีสติตรู้อยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเรียกว่ากายกตาสติแล้วเวลานั่งก็ให้มีรู้อยู่กับลมหายใจเขาเรียกวาอนาปานาสติถ้าทํา กายสติไม่ได้อานาปนาสติไม่ได้ให้ใช้พุทธานุสติเป็นตัวแทนก็ได้งั้นขอให้เจริญสติให้ได้แล้วทําจิตให้สงบใหไ้ได้ให้หยุดความคิดให้ได้เพระเวลาหยุดความคิดครับตัวอัตตามานันจะหายไปแล้วที่เหลือก็จะตัวก็จะเหลือแต่ตัวรู้เท่านั้นเองนี่แหละเกิดวิธีเข้าถึงตัวรู้เข้าถึงตัวอาตาัตตาตัือวาอนัตตาที่แท้จริงต้องเข้าด้วยสติ ไม่ได้เข้าด้วยความนั่งคิดอย่างนี้ <c oughs> คิดไปยิ่งปวดหัวใหญ่เ น, นี่ยเาอนแล้วก็ฟังคำถามเรายังงงเลยขอไปด้วยคุณสมบรูรแต่พูดตามความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่ทางรับประกันได้ไม่ใช่ทานนั่งตอนให้คุณนั่งคิดไปจําวันตายคุณก็ไม่ไม่มีทางที่จะเข้าถึงตัวรู้ตัวตัว ต, วตาตัวอันตานาตาได้คุณต้องหยุดความคิดปูแตกแล้วคุณจะรู้ว่าตัวตาน้ตาที่มาจัดความคิดปูแตกของคุณนี่แหละ เราคุณหยุดจิตป๊บตัวอัตตาตัวหน้าตาก็หายไปหมดแล้วแต่ตัวรู้ตัวเนี้ยอาจารย์ครับตอนที่ถ้าเรารู้แต่ลมอย่างเดียวรู้ลมเข้ารู้ลมออกอย่างเดียวไม่มีความคิดอื่นๆอย่างนี้คือคือความสำเรจ็จเลยอาจารย์ก็อยู่ในขั้นชั้นที่หนึ่งแล้วมีเตกมีตรามมีเตกมีตรามมีวิตกวิจารณ์อยู่กับลมหายใจเป็นอย่างเดียวถ้าถ้าไม่ตกให้ตรามานานเนี่ยมันก็จะเกิดปิติเกิดสงขขึ้นมา เดี๋ยวมันก็จะสมบมากขึ้นไปขึ้นไ ป, นไปจนกระทั่งเหลืออุเบกขาในที่สุดให้ใหอยู่กับตึกกับอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวอย่าให้วัดไปที่อื่นเคุณปรายเล็กครับละความยึดติดวิธีไหนได้ผลครับเราติดอยู่สี่ไหนก็เอาเอาไปบริจากเป็นทานท่ยติดสามีก็ยกให้คนอื่นไป ติลูกก็ยกให้คนอื่นไปติดทรัพย์ ส, ส, บสมบัติเข้าวของเงินทองก็ไปทําบุญทาทานไปเก็บไว้เท่าที่จําเป็นต้องใช้กับผมสิ่งไหนที่มันมเกินความจำเป็นนี่ถือว่าติดทั้งนั้นะสิ่งที่เรามีความจำเป็นก็แค่ปัจจัยสีที่พอให้เราอยู่กินอยู่กินไปได้วันวันหนึนนห่งก็พอถ้ามากกว่านั้นถือว่าติดเนี่ยสามีไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ลูกไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ของต่างๆ ของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่จำเป็นต้องมีก็้เราติดของพวกนี้ทั้งนั้นถ้าไม่อยากจะติดก็เอาไปบริจาคให้หมดเสียอยู่แบบสมถานเรียบง่ายอยู่แบบพระมีอัฐบริฐารเป็นเป็นสมบัติพระมีสมบัติต้อเจ้าในยากพระให้ ม, ม, ม, มีสมบัติได้แปดชิ้นคือบาทหนึ่งใบไว้สมหรับหาอาหารมารับประทานจีวรสามชิ้นมาเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ใบม่โกน ไม่สำหรับปองผงปองด้วยเข็นมาได้ไว้สําหรับซ่อมปะจีวรเวลามันขานแล้วก็มีที่นัดประคตก็เรียกว่าเข็มขัดนันเอวเพราะพระไม่ไม่ได้ใช้กางเกงไม่มีกระดูมต้องใช้เข็มขั ด, ดนันเอวเวลานุ่งนุ่งสบงืบอนอกจาในสมัยก่อนนี้ต้องตัดน้าจากลำธารลำห้วยซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์อยู่ก็ต้องมีที่กรองน้ำหลั่ขึ้นมา ที่กองนะคนี่คือสมบัติแปดชิ้นที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระมีไว้สําหรับการดำรงชีพมีท่านี้พอคนระับนอกจากให้สลับแล้วไม่ให้ยึดไมให้เก็บเกี่ยวอะไรอาจารย์รตอบล่วงหน้าคำถามอีกแล้วครับตอนนี้ลูกชายเข้ามหาวิทยาลายัยต้องไปอยู่หอพักคนเดียวเลยทําให้มีความเป็นห่วงและกังวลจนเกิดความเครียดต้องวางใจอย่างไรครับก็ <S <S จารย์ก็ ถ้ามันเครียก็เาเราไปยึดไปติดเขานั้นเองเปรักไปห่วงเขาเราต้องตัดจะคิดว่าเขาเป็นเป็นตัวของเขาเองเขาจะเป็นจะตายแล้วก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปช่วยเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วตอนนี้เขาต้องพึ่งตัวเขาเองถ้าเขาดีเขาก็อยู่รอดเขาไม่เขาไม่ดีจริงเขาก็อยู่ไม่รอด คุณฟันสาครับเรียนถามพระอาจารย์ครับตอนนั่งสมาธิในหัวมันเห็นภาพนักๆก็พยายามข่มไว้ให้เห็นให้อยู่กับพุทโธแต่ผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยผมเลยปล่อยให้มันคิดไปแต่ไม่ไปตามติดมันแล้วมันก็หายไปผมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมันนิ่งแบบนี้ผมทําถูกไหมครับพระอาจารย์เมตตาด้วยครับมันนิ่งเราไม่ทำมันนิ่งแบบไหนแล้วถ้ามันนิ่งก็ถือว่าถูกถ้าความคิดหายไปก็ถูกแต่ถ้ายังมีความคิดอยู่ก็ยังไม่ถูก คุณทองเบิ่มครับสติจับพุโทโธพุธโทโธสติรู้ว่าสงบใจสบายอยู่ตื้นๆหลีตาก็รู้สงบได้หนึ่งสองชั่วโมงพยายามสติรู้จับพุโทโธตลอดนั่งไม่ปวดเมื่อยสติพิจารณากายได้ตอนไหนครับหรือเราต้องเพ่งพุโทโธพุธโทโธให้ลึกลงไปเลยผิดหรือถูกครับนัมัสการพระอาจารย์ครับถ้าเราอยู่ในช่วงที่ต้องการทำจิตให้สงบกันสมาธิเราก็ไม่พิจารณาถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราไม่ได้ทาสมาธิเราจะพิจารณากายได้ เช่นตอนที่เราออกจากสมาธิมาตอนที่เราเคลื่อนไหวทํางานอะไรต่างๆนี้เราพิจารณาร่างกายของเราคนหนึ่งได้เห็นร่างกายใครเขบอกว่าเป็นดินน้าลมไฟเกิดแก่เจ็บตายอาการสามสองเนี่ยเราพยายามมองทํานร่างใจยเราแล้วร่างกายของคนหนึ่งให้เห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสีเป็นเพียงอาการสามยี่สองที่ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไปนี่คือการพิจารณาการ พิจารณาตลอดเวลาได้เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิกันแเวลาไม่พิจารณากันยังไงพอเราไม่อยู่ในสมาที่เราก็ไปพิจารณาเล่นรูปเสียงกลิ่นรสแฉกมากกว่าจะดูรูปไหนดีจะพัดเสียงอะไรดีจะไมปดมกิ่นอะไรดีกันได้มากกว่างันเวลาพิจารณาีเยอะแยะแต่อย่าไปพิจารณาตอนที่ไม่ควรจะพิจารณาตอนเดียวคือตอนทํามสมาธิตอนที่ฝึกสติก็พิจารณา ไ, ได้ถ้ายังไม่มีสติ แล้วต้อการฝึกสติแล้วก็ต้องอยู่แบบพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวไปก่อนโดยเฉาะเรามีสติพอที่จะทําให้จิตสงบแล้วหลังจากนั้นถ้าเราไม่ต้องการจ ะ, จะเจริญสติด้วยพุโทโธแล้วก็เอาคิดพิจารณาทางปัญญาในพิจารณาร่านกายได้มองร่างกายของเราของใครก็มองให้เห็นว่าเป็นดินน้าลมไฟเป็นอาการสามสิบสองเป็นอาการที่ไม่เทีย่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเสี่อมต้องตายไปเป็นธรรมดามพิจารณาได้ตลอดเวลา จะว่าเวลาสมาธิเท่านั้นหรือเวลาเจริญสติเท่านั้นที่เราพิจารณาไม่ได้คุณสุธีรัตน์นี่คําถามไม่จบนะครับเรียนถามพระอาจารย์ตอนนี้ผมมีวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสยัยเพราะผมสงสัยว่าทำไมพระอริยสงฆ์ในประเทศไทยถึงพูดไม่เหมือนกันเช่นพระอริสงฆ์ส่วนใหญ่บอกว่าเราสามารถแผ่เมตตาด้วยการสวดได้หรือพระอริยสงฆ์ทางภาหอีสานจะเห็นพญา น, นาคเห็นเปรตเห็นผีเห็นปอบแต่พระอริยสงฆ์บางองค์ก็บอกไม่มีตัวตน หือพระอริยสงฆ์บางองค์ก็บอกว่าจิตสุดท้ายสําคัญว่าทําให้จิตเราไปทางสุขติหรือทุคติแต่พระอริยสงฆ์บางองค์บอกว่าไม่ใช่และอื่นๆอีกมากมายที่พูดและสอนขัดแย้งกันแม้ว่าจะได้รับการยอมรับว่าเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันครับก็ไม่รู้ ว, ว่าเป็นอริยสงฆ์จริงหรือไม่จริงอันนี้ก็ก็พูดยากไม่อยากจะไปพูดท่าเพยงหึงท่านแบบนี้นะครับนั้นก็ต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกดีกว่า จะได้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเรื่องประเด็นที่เราสงสัยนี่มันเป็นเรื่องจิบจอยนี่ไม่ควรจะให้ความสําคัญอย่างไรซ้ำไปควรจะําให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติมัดแปะจะดีกว่าอันนีเน้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเศษบุญเอะไนเป็นเรื่องของซึ่งเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องดูกระดาษ ขอให้เรารู้วิธีเจริญมรรคแปดคือศีลสมาธิปัญญาหนือทานศีลภาวานาถ้ามีกคุณวันธนีครับความวิตกกั ง, งวลเป็นกิเลสโลภะใช่หรือไม่คะเช่นวิตกก็ต่อไปภายหน้าต้องอยู่คนเดียวทางแก้ไขโดยธรรมะควรปฏิบัติอย่างไรคะก็เป็นความอยากความอยากอยู่กับคนนั้นคนนี้เป็นตลอดเขาวิตกกังวลว่าถ้าเกิด เขาจากเราไปแล้วเราก็จะอยู่คนเดียวล้วก็จะเหนาเราก็จะทุกขขึ้นมาใช่ความวมิตกก็คือการจากความอยากในวิธีจะแก้ความวิตกก็ต้องหยุดความอยากต้องยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ที่ไม่มีใครที่จะมาบังคับให้มันเป็นไปาตามที่ตนเองต้องการได้เสมอไปวันใดวันหนึ่งจะต้องเกิดการพัฒนาจากากันแยก การสูญเสียจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปอย่างแ่นอนงั้นมาฝึกใจให้หัดอยู่กับการอยู่คนเดียวดีกว่าจะได้กําจัดความวิตกได้เมื่อเรารู้ว่าในที่สุดแล้วเราก็อาจจะต้องอยู่คนเดียวไม่ช้าก็เลยงั้นก็มาฝึกอยู่คนเดียวไปเช่นตั้งแต่วันนี้ไม่ดีเนละวิธีาอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขก็คือการปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเราต่อไปเราก็จะอยู่คนเดียวได้จะไม่วิตกกังวลกับเรื่อง เน้นตรนี้ไม่แต่เรื่องของความเป็นความตายก็จะไม่วูจักคุณปาริชาติครับกระพระอาจารย์ค่ะถ้าจิตออกจากร่างกายแล้วคือตายไปแล้วเราไม่สามารถรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็จะไม่เห็นคนที่ยังอยู่มีชีวิตยอยู่ใช่หรือไม่คะใช่โลกของคนที่มีชีวิตยอยู่นี่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีการติดต่อครับ เราจะอยู่ในโลกของความฝันฝัน่าเห็นคน น, คนั้นเห็นคนนี้เป็นเจอคนนั้นคนนี้อยู่ในความฝันอยู่แล้วแต่จะไม่เห็นตัวของเขาแล้วคุณป้าอุ้มครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับจิตชอบหลงเผลอไปกับรูปรถกลิ่นเสียงพระอาจารย์มีวิธีให้ลดละไหมครับก็ร บ, บริกรรมพุโทโธไปทั้งวันฝึกสติแล้วเราจะรู้ทันเวลาเริ่มไป ไปเสพรูปเสียงจิตของเราได้หรื ว, ว่าจิตเราไปแล้วนะใช้พุโทโธหยุดไม่ได้คุณมาลัยครับกราบพระอาจารย์ค่ะหนูภาวนาพุโทโธตลอดเวลานั่งสมาธิและเดินจงกรมตื่นตีสองทุกวันถือศีลแปดเข้าสมาธิได้ง่ายนั่งได้นานประมาณชั่วโมงกว่าเวลาออกจากสมาธิก็ต้องพุโทโธต่อทําแบบนี้ทุกวันหนูทําถูกต้องแล้วหรือยังคะถูกแล้ว พยายมนั่งให้มากขึ้นนั่งให้ปล่อยขึ้นคุณพีโกครับถ้าเราปล่อยวางแปลว่าธาตุรู้รับรู้ความว่างเปล่าธาตุรู้อยู่กับความว่างตลอดใช่ไหมครับก็อยู่ที่เหตุผลของการปล่อยวางขะงเราเราปล่อยวางแบบไหนปล่อยวางได้จริงหรือไม่จริงปล่อยวางแบบชั่วคราวเนื้อมัน ท, ทีเบื่ออะไรแล้วก็ปล่อยได้แต่สิ่งที่เราไม่เบื่อเราก็ไม่ปล่อยใช่ไหม มันปล่อยจริงมันต้องปล่อยหมดเนี่ยไม่ใช่เลือกปล่อยเรื่องนี้ปล่อยเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ยังไม่ได้ปล่อยอย่างแท้จริงมันต้องปล่อยหมดเลยเรื่องร่างกายของเราก็ต้องปล่อยปล่อยคลายนอกก่อนปล่อยลาภลดสรรเสริญสุดถางตาอุจจมูกดิ้นกายแล้วก็มาปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาแล้วก็ปล่อยอารมณ์ที่มีในจิจปล่อยให้มัหมด คุณลังสันครับกัญชาใส่กับข้ขาวใส่บาตได้ไหมครับผมทําผิดศีลข้อห้าไหมครับอก็เหมือนกับใส่ชุราเนี <t <t <t ่ยถือว่ากัญชาก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนชุราทําให้เกิดอาการเหมึอนเมาได้แไม่ควรจะใส่ของมือนเมาครับเพราะจะทำให้พระท่านผิดศีลได้ ข้อที่สองครับขิงดองผลไม้แช่อิ่มพระฉันได้ไหมครับผมไม่กล้าใส่บาตและขนมทานเล่นประเภทคอนเฟกลกครามเมวถวายพระได้ไหมครับท่านฉันตอนตอนที่ฉันอาหารได้ทุกอย่างตอนที่ช่วงที่ต้องฉันอาหารนี้ที่เป็นอาหารชนิดไหนขนมหวานขนมคาวหวานอะไรต่างนี้ฉันได้แต่ถ้าหลังจากช่วงฉันแต่านี้เช่นถ้าพระฉันสองมือหลังจากเที่ยงแล้วนี่ต้องฉันในของที่ถือว่าเป็นเพศเปัญญา เช่นเภสัชบางอย่า ก, ก็อาจจะดูเป็นเหมือนกับอาหารเช่นอาจจะมีผักบางชนิดที่เอามาใช้กินเป็นยาถ่ายได้ก็มีพวกขิงดองหรืออะไรพวกอะไรดองนี่บางอย่างก็กินได้ถ้าเป็นยายาระบายอะไรทำนองนี้แต่ถ้าไม่ใช่เป็นยาละบายถือว่าเป็นขนมนี่ก็จะฉันไม่ได้นั่นอยู่ที่ว่าสิ่งที่ฉันนั้นเขาแยากว่าเป็นขนมเป็นอาหารหรือเป็นยา ถ้าเป็นยาก็ฉันได้อย่างสมองทองนี้นั่นฉันได้แต่ของบางอย่างนี้ฉันไม่ได้อันนี้ก็บางทีก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่าในสมัยใหม่มีของออกมาใหม่เยอะๆนั่นก่อนเลยมันก็จะวิวิเคราะห์ว่าเป็นยาหรือเป็นขนมหรือเป็นอาหารถ้าเป็นยาเป็นเพสัชก็ฉันได้ถ้าเป็นขนมเป็นอาหารก็ฉันไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเวลาญติโยมใส่บาทนี้พระท่านจะ สามารถแยกแยะได้ช่วงที่ชั้นฉันต้นหนที่เป็นเป็นของที่ฉันแล้วังจากบาดตอนบาดได้แล้วก็จะแยกออกไว้ได้เอาไว้ฉันได้ส่วนของที่ช่านฉันไม่ได้ท่านก็จะสละไปให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่เข้ามาขอรักส่วนอาหารไปถ้าไม่เก็บอาหารค่ำคืนเขาจะไม่ให้พระเก็บสะสมอาหารค่ำคืน คุณปุ้ยครับนำ้ำมัศการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ขอโอกาสถามเรื่องกวดน้ําค่ะการอุทิศส่วนบุญกุศลแบบไม่เจาะจงทุกครั้งจะไม่ทําให้รอบตัวเรามีแต่วิญญาณรอส่วนบุญหรือคะขนาดนกแถวบ้านที่ให้ข้าวยังมารอตรงเวลาเช้าเย็นทุกวันเลยค่ะก็ไม่รู้นะว่ามีแล้วไม่มีวิญญาณที่เวลาเราอยู่ก็ก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอุทิศบุญให้เขาเขาคงไม่มา เหมือนกันโผัดเท่าที่ไหนไม่มีข้าวให้มันกินมันก็ไม่มาใช่ไหที่ไหนเราปรยข้าวให้มันมันก็จะมางั้นถ้าเราไม่ได้กวนน้ำเลยก็คงจะไม่มีวิญญาณไหนจะมารอรับชวนบุญจากเราแต่ถ้าเราอุทิศนี้เขาอาจจะมาก็ได้คุณท่านนิตาครับเรียนถามบุญที่ทำคือรักษาศีลเจริญภาวนามีจิต ที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างจะถือว่าเราได้สร้างบุญใหม่เจ้าคะก็ใช่ได้สร้างบุญบุญในสามระดับเองบุญที่เกิดจากการทําทําทานทําทานเสียสละแบ่งปันบุญที่จากการไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือการรักษาสี่งแล้วบุญที่เกิดจากการทําใจให้สงบด้วยการภาวนาเป็นบุญเป็นบุญต่างชนิดกันแล้วก็มีมีความสุขมีผลมากน้อยต่าง คุณวีนาครับกายหยาบที่เกิดมาดูไรค่าไม่จีรังยั่งยืนกราบขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนที่ทําบุญสะสมมามากเวลาจะมาเกิดเป็นคนนั้นสามารถเลือกกายหยาบได้ไหมคะมันมาเกิดนี้ไม่ทราบจะเลือกหรือไม่เลือกแต่เมื่อได้มาเกิดแล้วก็มักจะสามารถเอาเอาบุญด้วยความสามารถที่ที่ติดตัวมานี้มาทําประโยชน์จากกายหยาบนี้ได้เช่นพระพุทธเจ้าก็ได้กายหยาบ แล้วก็ใช้กายอย่างนี้เป็นเครื่องมือทให้ทรงปฏิบัติจำบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เะนั้นก็อยู่ที่บุญที่เราสะสมมามว่ามีมากมีน้อยมีพลังมากเท่าไหร่มีมากก็จะมาทำประโยชน์ได้มากมีน้อยก็ทำประโยชน์ได้น้อยคุณจริยาครับรบกวนถามพระอาจารย์ค่ะเรื่องของการได้กลิ่นต่างๆของผู้ที่เสียไปแล้ว เ, เหตุใดจึงสัมผัสได้คะ น่าจะเป็นอุปทานมากกว่าแต่ไม่แน่นะอาจจะเป็นอาจจะเป็นพลังจิตของผู้ผู้ได้สัมผัสก็ได้อันนี้ไม่ไม่อาจจะมีข้อยกเว้นแต่ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องของอุปทานใชมากกว่าคิดปรงแต่กไปเองอาจจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างอาจจะเป็นกลิ่นดอกไม้เนืออะไรที่โชยมาแล้วเราก็เลยไปคิดว่าเป็นเรื่องของดวงวิญญาณก็ได้ คุณสมพรครับทำอย่างไรจะทําให้การปฏิบัติมีพลังมีความเข้มข้นมีความลึกซึ้งมีความละเอียดมากขึ้นน้องกราบประทานโทษด้วยครับที่ใช้ครรัพาปภาษาธรรมเรียกคําทางธรรมะไม่ถูกแต่คือทําอย่างไรให้ได้ปฏิบัติธรรมได้สูงขึ้นตามลําดับประมาณนี้ครับราอาจแล้วทำปฏิบัติมากขึ้นเลยนี่ปฏิบัติมากแล้วต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่แม้จะปฏิบัติมากก็จะไม่ได้ผลนีต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติชบก็ถูกต้องปฏิบัติดีก็ปฏิบัติมากนี่สองข้อนี้สุปฏิคันโดปฏิบัติดีคือปฏิบัติเต็มร้อยปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติอย่างถูกต้องคุณ โจครับขอสอบถามป้าอาจารย์ครับเวลานั่งภาวนาแล้วเหมือนลมหายใจมันสั้นลงจนเหมือนจะขาดใจแต่รู้สึกว่ามันอ่อนมากแต่ผมรู้สึกว่ามันยังมีสังขารอยู่หรือยังยึดอะไรประมาณนี้ครับผมจะข้ามตรงนี้ได้ยังไงครับให้ดูเฉยๆอย่าไปปุ่งแต่งให้รับรู้เฉๆมันจะขาดใจก็เรื่องของมันดู ว, ว่ามันจะขาดใจจริงหรือเปล่าแล้วก็ดูไปเรื่อยๆไม่ต้องไปมีปฏิกิริยากับอาการของลม เริต้นดูเป็นยังไงก็ดูแบบนั้นต่อไปมันจะสั้นจะยาวจะละเอียดจะหยากนี่พรูเจะาบอกให้รู้เฉยๆให้ดูไปเฉยๆตามความเป็นจริงของเราไม่ต้องไปมีปฏิกิริยากัวเองเไม่ต้องเกิดอาการวิตกกังวลไม่หวาดกลัวไม่มีไม่มีอันตรายถึงแม้รมจะหายไปรู้สึกว่าลมหายไปก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้ว่ามันหายไปรู้ตามความเป็นจริงให้รู้เฉยๆ คุณโกยันครับขอโอกาสสอบถามครับสติจิตผู้รู้ตัวเดียวกันไหมครับจิตกับผู้รู้นี่ตัวเดียวกันแต่สติคือเป็นผู้ที่ควบคุมผู้รู้ให้ให้รู้อยู่กับเนื่องใดเรื่องหนึ่งคุณเปตองครับขออนุญาตถามพอาจารย์ครับจุดยากันยุงบาปไหมครับไม่บาปเหรอเพราะว่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำให้ยะถ้าถ้าทำให้ยุงตายก็บาปแตถ้ามันได้กินแล้วมันหนีไปมันก็ไม่บาป คุณนะครับวิญญาณที่เกิดทางอายตนะต่างๆเกิดที่จิตหรือเป็นสิ่งที่จิตรู้ครับเป็นตัวทํางานของจิตเป็นเครื่องมือของจิตจิตมีตัวทํางานและเครื่องมืออยู่สี่สี่ตัวด้วกันคือวิญญาณที่รับรูปเสียงเกิดลดสัญญาเป็นผู้แปลรูปเสียงกิแญญดแล้ว ก, ก็เป็นเป็นรูปแบบไหนดีแล้วไม่ดีแล้วก็เวทนาความความสุขทุกไม่สุขไมข่ทุกที่เกิดจากการไปสัมผัสกับรูปเสียงเกิดลด แล้สันคายความคิดผูกแต่งที่จะสั่งให้จิตทําอะไรต่อรูปสิ่งกิน้วที่ได้สัมผัสรับรู้นี่คือตัวทำงานของจิตคุณต้อมครับกาเพเรียนถามพระอาจารย์ครับคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเรียงลําดับขั้นไหนก่อนหลังครับเออคณิกะกับอัปปนานี่เป็นสมาธิระดับเดียวกัน เพียแต่ว่าสั้นหรืออยาวถ้าจิตรวมลงสงบชั่วงขณะหนึ่งเราเรียกว่าคณิกาสมาธิถ้ารวมสงบแล้วตั้งอยู่ได้นานเรียกว่าอปน า, าสมาธิโชุปชาหะสมาธินี่เป็นสมาธิที่ที่ได้ตามได้ต่อจากอัปนาสมาธิคือพอจิตเข้าอัปนาสมาธิแล้วนิ่งอยู่สักพักหนึ่งแล้กวก็ออกไปแต่ไม่ได้ออกกลับมาทางตากูจมูกลิ้นกา ได้ออกไปในโลกทิพย์จิตจะเอล้วโลกทิพย์ไปรับรู้กับสิ่งต่างๆที่มีในโลกทิพย์ได้เช่นอา่านวาลลจิตของผู้อื่นได้ติดต่อกับกายทิพย์ได้เป็นต้นม Who ip, ีหูทิพย์ตาทิพย์ผููทิพย์ตาทิพย์ก็คือสามารถติดต่อได้ยินเสียงทิพย์เห็นรูปทิพย์ก็ติดต่อกับพวกเทวดานี่คุยพวกเทวดาได้ อันนี้เป็นอุปจาระสมาธิต้องได้อัปปนาก่รั้งถึงยะออกในทางอุปจาระได้บางคนเข้าไปแปลว่าได้อุปจาระก่อนถึงจะได้อัปปนาสมาธิซึ่งอันนี้ทางครูบาอาจารย์ได้บอกไม่ใช่มันต้องได้อัปปนาสมาธิก่อนแล้วมันไม่อยู่นิ่งมันเขาเรียกว่ามันเป็นพวกผาดพนดวงตาท่านได้คําว่าผาดพนจิตผาดพนแล้วจะออกไปไปหาของนั่น นัน่นก็คือปไปไปไปรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทิพนี่ถ่ายมาวเช็คของผู้อื่นระดักชาติได้ติดต่อการทิพได้เป็นต้นอันนี้เป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิเราไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติจะไม่ได้เปิดเทิงอุปจารสมาธิแค่เข้าถึงอภปนานก็แทบจะลินห้อยนะดั้วโอกาสที่จะไปถึงอุปจาระนี่ยากมาก มีแต่ผู้บางบางคนที่อาจจะมีวาสนาเก่าเนีของเก่าติดตัวมาแล้วก็ไปทํานี้ได้ถ้าไปทางอุปจารสมาธิมันจะทําให้เสียเวลาเพราะว่าอุปจารสมาธิไม่ได้ให้พลังกับใจคืออุเบกขาที่จะมาใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหานี้นผู้ที่ได้อุปจาสมาธินี้จะสู้กิเลสไม่ได้แต่พวกที่ได้อปนาสมาธินี้จะมีอุเบกขา ที่เวลาปัญญาบอกว่าให้หยุดไม่ให้ทําตากเกเรก็จะหยุดได้อันนี้คื อ, ย, คาาาอ ย, ยั้นครูบาอาจารย์มักจะเน้นม่าอย่าไปยุ่งกับอุปจารสมาธิถ้าเรามีวาสนาให้อยู่เท่ามันจะออกไปให้ดึงกลับมาให้มันอยู่ในอัปปนาสมาธิให้มันนิ่งเฉยๆไม่ให้กปะด้างรูร้วยไเราจะมีอุเบกขาและเวลาออกจากสมาธิมาจะได้ใช้อุเบกขานี่สู้กับตันหาความอยาก ด้วยปัญญาอีกทีหนึ่นงเธอยังบรรลุมากผลนี่ผ่านได้คุณวชิรวิทย์ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับสืบเนื่องจากเรื่องโลกทิศกลับเรียนถามวิญญาณที่ไม่มีรูปจะอยู่บนโลกมนุษย์ได้หรือไม่ครับสามารถรับรู้เรื่องราว บ, บนโลกมนุษย์ได้หรือไม่ครับกลับมาคุณครับไม่ได้หรอกวิญญาณก็จะอยู่ในโลกทิศจะรู้ได้ก็เฉพาะ ถ้ามีคนในโลกนี้มีพลังจิตที่จะติดต่อกัดวิญญาณได้เจริญธรรมจ้เจ้าในติดต่อกับพวกกายทิตทั้งหลายได้คุณสาระเร็วครับเวลาเราเห็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตทําไมเรายังเห็นเป็นรูปลักษ์เหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ครับพระอาจารย์หรือเป็นเพราะจิตยังยึดติดกับรูปกายเก่าอยู่อันนี้ผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับใช่เป็นอุปทานหรือความติดผูกแต่งของเราเอง ว่าตัววิ ญ, ญญาณจริงๆมันไม่มีรูปรา่นนางลักษณะอะไรนะกายก็แปลงนะเดี๋ยวต้องขอภนะอภัยด้วยคือท่านคือผู้ที่เขามีมีพลังกิจที่จะติดต่อกับกายทิ่ย์ไ ด, ด้เ่าบอกอดววิญญาณมาในรูปแบบของรา่างกายของมนุษย์นะครับในนี้แต่มีแม่ชีแก้วที่ท่านเคยอ่านในหนังสือที่ท่านนา่านไว้ฟังบอกว่า เวลามีสัตว์ตายเช่หนหมูป่าตายควายตายนี่เวลามาหาท่านนี้มาในลักษณะของมนุษย์นะอืครับนีนก็อันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลที่ได้ยินได้ฟัเพราะนั้นสิ่งที่คนเห็นนี่กล้า จ, จะเป็นไม่ทราบว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นหรือว่าเป็นเพราะเราเราแปลสิ่งที่เราเห็นให้เป็นเป็นภาพของมนุษย์ขึ้นมาตามความต้องกายของเราหรือเปล่าอันนี้ไม่ ย่างใจคุณภูมิครับการบริการพุโทโธเพื่อคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกําหนดรู้คําบริการแบบต่อเนื่องเป็นการบังคับวิญญาณให้รู้เท่านั้นเพื่อหยุดการผัด ส, สะเวทนาสังขารต่อใช่ไหมครับใช่การบริการพุทธโธเพื่อหยุดคิดไม่ใช่เพื่อคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหยุดคิดให้ขึ้นอยู่กับพุโทโธเพียงสิ่งเดียวให้ขึ้นอยู่กับพุโทโธพุโทโธนลมันจะทาให้สังขาร หยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะสังขารหยุดคิดเวทนาก็จะหยุดทํางานชั่วข่าวตามตา ม, มันตามมาด้วยคุณโอนิคูโมะครับการเบียนถามพระอาจารย์ครับเพราะมีเราเข้าไปรู้ในสิ่งที่เขารู้ของเขาเองเหมือนกระจกสะท้อนภาพที่มองเห็นอยู่ตลอดแม้ดวงตาเราจะไม่ไปเห็นกระจกนั้นก็ตามก็จะเห็นว่ากระจกนั้นสะท้อนสิ่งเหล่านั้นของเขาอยู่แล้ว แต่เพราะมีดวงตาเราไม่เห็นกระจกนั้นจึงกลายเป็นความรู้ขึ้นมานี่คือจุดที่เป็นเราจริงๆใช่ไหมครับจุดที่เป็นเราก็คือความคิดที่คิดว่าเราเป็นผู้เห็นความจริงเป็นผู้รู้ผู้เห็นแต่เราไปสังขารไปคิดว่าเป็นเป็นเราขึ้นมาไปคิดว่าผู้รู้คือเราผู้ยังไงอันนี้เป็นความคิดเท่นั้นเองแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีเรา เป็นผู้รู้เฉยๆผู้รู้ผู้คิดเฉยๆไม่มีตัวเราคิดไม่มีตัวเรารู้เป็นแต่ตัวคิดที่คิดขึ้นมาเท่นั้นเอเพราะเวลาจิตสงบแล้วตัวตัวเราตัวนี้จะหายไปพอความคิดหยุดคิดปั๊ตัวเราก็หายตาเปล่าติดไปก็เลยสรุปได้ว่าตัวเรานี้มันมาจากความคิดเท่านั้นเองคุณพัชริพรครับการน้ัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ เข้าสมาธิจิตนิ่งแล้วมักจะมีไอตัวเบาๆเหมือนกายทิพย์พุ่งออกไปสำรวจ น, น, นู่นนั่นนู่นนี่บังคับไม่ได้แต่มีสติตามรู้อยู่แบบนี้เป็นการส่งจิตออกนอกอันตรายไหมเจ้าคะกแสดงว่าจิตยังไม่สงบจริงนะถ้าสมาธิ่ด้มันเชิสอกจริงแล้วมันจะไม่มีอะไรปรากฏให้เรารับรู้เลยคุณครอปครับ การที่เวลาเจ็บปวดร่างกายแล้วเราหลับตาทําสมาธิเอาจิตไปดูที่บริเวณที่เจ็บปวดตอนจนความเจ็บปวดหายไปอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือเปล่าครับการปฏิบัตินี่มนก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความเจ็บปวดหายไปเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบนะครับงั้นถ้าเราใช้ลยเพลงแล้วทำให้จิตสงบได้ก็ถูกต้องแต่ถ้าใช้เพลงเพื่อให้ความเจ็บปวดหายไป บางทีเพ่งแล้วมันทานนี่มันจะหายมันกลับจะปวดมากขึ้นก็ได้อันนี้มันไม่แน่นอนงั้นก็ถ้าทานที่ดีไม่ควรที่จะไปเพ่งความเจ็บปวดควรจะเพ่งที่เราหายใจต่อไม่ว่าอยู่กับคําบริการพูดโทรหรือคำบริกรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วความเจ็บปวดบางทีก็หายไปบางทีก็ไม่หาย แต่ไม่หายก็ไม่เป็นปัญหากับจิตที่สงบจิตจะจิตที่สงบจะไม่มีปฏิจจัยยาตอบโต้กับความเจ็บปวดของร่างกายอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการปฏิบัติเพื่อให้จิตเนื่งไม่มีปฏิจจัยยากับทุกสิ่งทุงอยา่างไม่ให้แต่เฉพาะความเจ็บปวดเท่ทุกสิ่งทุงอยา่างที่มาทางนายทะนนะนี้จิตจะเฉยคุณชัยพงศ์ครับนั่งสมาธิแล้วเกิดสิวิน่าจะเป็นวิปัสสนากิเลสครับ เสียงนิมิตทำอย่างไรถึงจะหายครับมันจะเกิดตอนนอนทำให้นอนไม่หลับบางทีก็เกิดตลอดเวลาเป็นๆนนหายๆทรมานครับอันนี้หมายถึงไม่ใช่เวลานั่งสมาธนะินั่งสมาธิแล้วเกิดจะเกิดตอนนอนัมนไม่ใช่เรื่องของสมาธิแล้วนะเรื่องตำนานนอ น, น, นอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ใช่ไมผมแล้วแต่แต่ละคนเป็นเรื่องของบุญของบาปที่ได้ทามามากกว่านะ เรื่องของการฉุกสติมีมากมีน้อยถ้ามีสติมากมากจะไม่ค่อยมีอาการตอนที่เราไม่มีความฝันไม่มีอะไรแต่ถ้าไม่มีสติมันก็จะมีความฝันมีอะไรแปลกๆปรากอฏขึ้นมาได้ทําไรทําอย่างไรทิ้งจะหายเราไปห้ามมันไม่ได้หรอกว่ามันเป็นเป็นเป็นเป็นณตาเป็นเหมือนสภาวะธรรมที่มีเหตุตัดใจซึ่งเป็น ส่วนนึงก็อยู่ที่สติส่วนนึ่ไม่อยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่เับทําะฉนั้นสิ่งที่เราทำาได้ก็เพียงแต่รู้เฉยๆได้พยายามสร้างอุเบกขาขึ้นมาให้รู้เฉยๆถ้ามีอุเบกขาใจก็จะไม่รู้สึกเท่าไรคุณแหม่มครับน้ำระสการเจ้าขาขอเรียนถามฝึกนั่งสมาธิแล้วจิตมันร้องเพลงขึ้นมาในใจร้องซ้ําๆท่อนเดิมอยู่เรื่อยๆ ต้องทําอย่างไรดีเจ้าค้าหนูไม่มีสมาธิเลยทําจิตให้ร้องเพลงขึ้นมาหรือเจ้าค่อเวลาทานั่งสมาธิต้องมีการบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ใช่นั่งเฉยๆต้องมีการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆแล้วจิตมันก็จะร้องเพลงขึ้นมาไม่ได้เพราะมันต้องพุทมันต้องมาร้องพุทโธแทนเพรานัเรา่งเฉยๆปล่อยให้มันทำเองอะไรมันก็จะร้องเพลงขึ้นมาได้ ไม่้อมีอะไรกับกับใจต้องมีสติเช่นทำบริการพุโทโธหรือสว่วนอิติปิโสไปก่อนก็ได้วันนี้มีคําถามทางบาลีเข้ามาเยอะเลยครับอาจารย์พระอาจาร ย, ราารย์ลองอ่านดูก่อนนะครับนักพัฒการพระอาจารย์ครับเรื่องสอบถามเรื่องสังขารุเปกขายานพิจารณาอย่างไรคะสังขารุเปกขาอันนี้ถ้าแปลตามตัวสังขารเป็ น, นุเปกขา ความรู้อันนี้ไม่รู้จะตอบว่ายังไงขอว่าไปด้วย<อ><อ>ช่วยช่วยแปลภาษาไทายให้หน่อย ไ, ไหมผมแปลไม่ได้เข้า <laughs> มีข้อหนึ่งก็เข้ามาติดกันเลยครับแต่คนละคนถามนะครับคุณอภิรดีบอกว่านามรูปปะริปริเฉดยานเนีุการณอย่างไรเจ้าคะ่ะอันนี้นํอไปทาง Google แล้วนะนอกไปใสในกู <laughs> เกิเดียวครับผม คุณท า, ทาทาครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะโยมเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวมีแม่มีลูกและสามีซึ่งทั้งลูกและสามีไม่สนใจช่วยแบ่งเบาภาระใดๆแม้งานหาเงินงานในบ้านไม่คิดช่วยเหลือโยมทั้งสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเลยทุทั้งกายและใจอยากให้พระอาจารย์สั่งสอนให้โยมคลายทุกข์ในใจบ้างค่ะที่ว่าเราเป็นใครเป็นหนี้เข้ามาก่อนเราเป็นยุ่งหนี้ครับตอนนี้เข้ามาตรงนี้เรา <c oughs> <c oughs> ก็เราใช้หนี้ไป เรีว <owad> <an> <im itation> ิบากกับวิบากกับชาติก่อนเราคงไปเอาเงินเข้ามาชาตินี้เราเอาน้ำมาใช้รับใช้ชดเชยเงินที่เราไปเอาเงินเข้ามาก็เราสามารถหยุดได้นั่นดูที่เราจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่อยากจะเลี้ยงเขาไม่อะไรก็บ่วงไม่ต้องเลี้ยงเขาด้านนี้ไม่มีใครก็บังคับเราเลยนะ คุณวรัชยาครับการเบียนถามพู้อาจารย์เวลาเห็นสัตว์ตายหรือผ่านสุสานควรส่งจิตแผ่เมตตาได้หรือไม่หรือควรพิจารณาเช่นไรคะพิจารณาต่อไปแล้วก็เป็นเหมือนเขาแล้วต่อไปแล้วก็จะต้องตายเหมือนเขาคุณพอมาครับถามเพื่อขอความกระจ่างครับ พุทธคุณในวัตถุมงคลมีจริงหรือไม่ครับแล้วการที่เราใส่พระกับไม่ใส่พระต่างกันอย่างไรการที่เราอยากได้วัตถุมงคลมาบูชาเป็นความหลงแบบหนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องไม่มีหรอกวัดพุทธมณฑลในวัตถุวัตถุก็เป็นวัตถุไม่สามารถบรรจุพุทธคุณเข้าไปได้พุทธคุณนี่อยู่ในใจของพระเจ้าเพียงพ่อองค์เดียวนะพุทธคุณน คุณคุณสมบัติคำว่าคุณนี่คือ ค, ค, คุณสมบัติของพระพุทธเจ้าที่เราสวยกันเนี่ย ATP เสร่มปะกวาอัลังสำมาเนี่ยนี่คือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าอยู่ใน ใ, นใจของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่สามารถเอามันจุดในก้อนหในเหล็กในในอในอิในปูนได้นะอันนี้เราเข้าใจผิดกันพระพุทธรูปที่เราตั้งเสศษตั้งเปล่าเพื่อบรรจุพระพุทธควรนี้มันเป็นไปได้ไหมแลเรา สร้างวัดทีนึงมีสร้างวังทะลุแล้วนั่นีวันภาเกจิดังๆมานั่งปุ๋มเสร็จเปล่าสามวันสามคืนมันเป็นการเล่นละครหรอชาวบ้านก็มากกว่าคุณอารีครับการนริัสการพระอาจารย์ค่ะขอกลับเบียนถามเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งนะครับถ้าจะทำให้การเกิดนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเราต้องทุ่มเทยอย่างไรเพียงไหนครับต้องไปบวนบวชกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยบุคคล เราศึกษาปฏิบัติกับท่านเป็นทางที่ตรงที่สุดแต่เราต้องพร้อมด้วยนะเราต้อง ม, อมีความพร้อมที่จะไปบวชนะปฏิบัติตามคำสอนคำสอนของทาง่านได้ด้วข้อที่สองครับคนที่ยังทํางานประจําอยู่จะต้องสร้างเหตุปัจจัยสู่การดับทุกข์ได้ด้านใดบ้างเจ้าคะเล่าจากงานก่อนเนี <laughs> ่ย เราจะงานพ้นตรงทางก็ทําไม่ด่วนนะเพราะไม่ถ้าไม่ด่วดก็ไม่มีไม่มีข้าวกินถ้าไม่ดวดก็ไมีข้าวกินง่ายจะตายเลยคุณหนูยุ้ยครับกลับสอบถามพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งครับเวลาที่นั่งสมาธิแล้วดูลมหายใจให้รู้ว่ากําลังหายใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะใช่ดูลมตรงที่ปลายจมูกดูว่ามันเข้ามันออกตรงปลายจมูก ไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมให้ดูที่จุดปลายจมูกจุดเดียวแล้ข้อสองครับเวลาที่นั่งแล้วมีความคิดลอยมาเรากําหนดรู้ว่าคิดแล้วเกิดดับไปแบบนี้ทําถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องกลับมาอยู่ที่ลมไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับความคิดเลยรครับุณอัญเชลีครับวางจิตอย่างไรให้ผ่องใสตลอดเวลาคะให้จิตสงบเง้ให้จิตมีสติ ภาอสจจกความคิดปุงแต่ให้รู้เฉยๆให้รู้รูปเสียงเกินก็เฉยๆไม่ทำองมีอารมณ์หรืรูปเสียงเกินคุณบิวครับการนพัสการครับการนั่งสมาธิหากวันนี้ใช้วิธีกําหนดลมหายใจพรุ่งนี้ใช้พุทโทแบบนี้ได้ไหมครับหรือใช้อย่างใดอย่างหนึ่งพอครับก็แล้วแต่ละแต่มัน ส่วนใหญ่นี้คนจะใช้อย่างเดียวจะจะดีกว่าเพราะงี้มันก็ถ้ามันาจจะไม่ชำนาญใช้อย่างนี้เราก็ใช้อย่างนั้นพยายามลองฝึกอย่างยาอย่างหนึ่งที่มันถูกจริกของเราเราใช้อย่างนั้นไปแต่พุโทโธนี่มันใช้ได้ตลอดเวลาเพราะการจาหนักสตินี้มันไม่ใช่ทำแต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นมันต้องฝึกตลอดเวลาลการใช้พุโทโธนี่มันก็อาจจะง่ายกว่าการดูลหมหายใจ เวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธินิ่งดูลมหายใจยากเพราะลมมันเป็นเขางละเอียด ถ, ถ้าดูลมหายใจนะครับที่นั่งสมาธิเวลาไม่นั่งสมาธิก็ต้องดูดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของม่างกายตลอดเวลาหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องใช้กรรบรกิการพูดโทรตลอดเวลาอย่าทําอย่าอย่าใช้แต่เฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิฉะนั้นเพราะกาลังมันไม่พอกพยายามฝึกสติให้มากก่อนที่จะมานั่ง คุณพอมะครับรบกวนขออีกหนึ่งคำถามครับผมสนใจปฏิบัติธรรมชอบฟังธรรมะแต่ผมก็ยังอยากเติบโตในการงานและการเงินพอคิดว่าถ้าเรามีกำลังทรัพย์มากก็ส่งผลดีต่อครอบครัวแต่มักโดนเพื่อนพูดว่าศึกษาธรรมะทำไมยังไม่ปล่อยวางครับก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะศึกษาไปก่อ น, นยังศึกษาอยู่เป็นการเป็นการเสริมความรู้ให้กับเราแต่ยังไม่ ไม่ได้ศึกษาแลาปฏิบัติจนถไงขั้นที่เราปล่อยวางได้เท่านั้นเองมีคําถามต่อนิดนึงนะครับบอกว่าปล่อยวางในการยึดมั่นในขันห้าอย่างนี้คือปล่อยวางอย่างนี้ถูกต้องไหมครับคือบางตอนในขันห้าเนี่ยมันยากที่จะปล่อยวางได้เราปล่อยวางของที่อยู่นอกขันห้าก่อนเช่นน้าพุทธศาสนากับความสุขาตาตาเราจะหมดนิ่งาจให้ได้ก่อน คุณพูลาภครับกลับเรียนพระอาจารย์นั่งสมาธิกําหนดภาวนาพุทโธและลมหายใจเข้าออกรู้สึกตัวผ่านไป30มสินาทีเวทนาเกิดเน็บชาวิธีแก้ไขต้องเพ่งความเจ็บปวดหรือเพ่งลมหายใจเข้าออกเหมือนเดิมครับอยู่กับลมหายใจต่อไปเนืองถ้าอยู่กับความภาวนาพุทโธก็อยู่พุทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับการเน็บชาคุณเดอะมัลติเวอร์ชยูนิตี้ครับ เมื่อมีจิตอยากมาเกิดเยอะทําไมเราไม่ทําโลกใหญ่ๆประชากรมากๆเลยครับลโลกมันมีปริมาณจำกัดเนี่ยมันจะไปขยายโลกให้มันใหญ่แบบนี้ไม่ได้แต่โลกก็มีวิธีกําจัดประชากรให้น้อยลงแต่ละการคนมากขึ้นมามันก็จะมีโรคระบาดขึ้นมาที่หนึ่งบางทีก็มีภยัยพิบัติต่างๆอาจจะมีอุกกาบาตมาหลอนใส่โลกนี้ตามประวัติศาสตร์ ในโลกนี้เคยถูกลูกโอ ก, กาบาลลูกใหญ่ลูกใหญ่ที่มาฆ่าพวกไดโนเสาร์ไปหมดเลยก็ได้เห็นเราอาจจะมีลูกโอ ก, กาบาลลูกใหญ่มาทําให้มนุษย์ที่อยู่ในการนี้ตายไปครึ่งโลกก็ได้ยังไม่น้อกลัวหรอกธรรมชาติเขาจะมีวิธีจัดการกับประชากรของมนุษย์แต่เราไปขยายโลกให้มันใหญ่ขึ้นไม่ได้คุณนีครับกราพระอาจารย์ค่ะการที่เราอยากปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง จริงๆแล้วเกิดจากอะไรคะเหตุอะไรทําให้เราเข้าหาทางทำได้คะเกิดจากศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองโดยในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้เกิดศรัทธาได้ก็ต้องศึกษาถ้าศึกษาไปแล้วเกิดความเข้าใจว่าพระธรรมคาสอนของพระเจ้านี้มีคุณมีประโยชน์อย่างไรก็อาจจะเกิดความอยากปฏิบัติทำขึ้นมาอย่างจริงจังก็ได้ คุณธรรมะนิรนามครับอยากจะปฏิบัติให้จริงจังครับแต่พอทําไปทําไปจริงๆมันมันไม่มีมานะแก้ไขอย่างไรครับก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดอนนี้ยังกําลังยังไม่พอก็ทําให้มากขึ้นเอาเวลาที่เราไปใช้กับอย่างอางื่นมาถ้าให้กับการปฏิบัติทําให้มากขึ้นแล้วพอได้ผลขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความเกิดกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติขึ้นมหมอ ขออาจารย์อีสักสองคำถามนะครับพระอาจารย์ครับคุณอุทิตครับกลับสอบถามพระอาจารย์เวลานั่งไปเกิดอาการเหมือนตัวหมุนเอียงแต่จริงไม่ได้หมุนแต่ทุกครั้งพอลืมตาขึ้นมาจะมีอาการอาเจียนทุกครั้งเลยครับมีวิธีแก้หรือเปล่าครับก็เวลานั่งนั่งเฉยๆไม่มีอะไรครบคุมจิตนะสิเวลานั่งต้องดูลองหายใจและต้องบริกรรมพุทโธไปอาการต่างๆนี่จะไม่เกิดขึ้น ถ้านั่งเฉยๆนั่งลับตาแล้วนั่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็เกิดอาการต่างต่างต่างคุณอ้วนครับน้อมกานมัสการพระอาจารย์ถ้ามีคนมาขโมยพระพุทธ ร, รูปของเขาไปเขาจะเป็นบาปไหมและจะยังมีพุทธคุณอยู่หรือไม่เจ้าคะผมจะดูเป็นตกตาตัวไหนไม่มีพุทธคุณใครเอาไปก็ไม่มีพพุทธคุณมันเป็นตกตาคนเจ้าของก็ไม่ไม่มีพพุทธคุณ เป็นเป็นตัวให้เราแล้วเริถึงว่าพุทธเจ้าแล้เรเิถึงว่าพุทธกุศลกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง ใ, นในตัวพระพุทธลกนั้นเนี่ยมันเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรอาจารย์อีกสักข้อครับน่าสนใจครับการขอความเมตตาครับในระหว่างเจริญสติโดยการดูลมและควบคู่ไปกับการดูอาการสามสิบสองไม่ทราบว่าจะขัดแย้งกันไหมครับขัดแย้งกันแล้วเราอย่างไดอย่างหนึ่ง จะลบ้าน ด, ด, ดูลงเพลงอย่างเดียว้าเจออาจารย์ที่สองก็ดูอาจารย์ที่สองไปเพลอย่างเดียวกัดอาจารย์ครับเขากัครับอาจารย์วันนี้มีเพื่อนๆที่มาฟังธรรมด้วยกันอยู่ในเฟซบุ๊กเจ็ด้อยแปดสิบเอ็ดคนในยูทูบเจ็ด้อยสิบแปดคนในกลับเฮาส์ยี่สิบเอ็ดคนนะครับมีเพื่อนเพื่อนฟังธรรมพร้อมกันตอนนี้หนึ่งพันห้าร้อยี่สิบคนครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังร่วมสนทนาธรรม วังว่าคงจะได้เกิดประโยชน์จากการทำนี้ไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะนำาอกไปปฏิบัติต่อไปการแสดงสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุก็ขอลาเป็หมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ โอกาสหนะ้าถ้าไม่มีอุปสรรคใดก็ ค, คงจะได้พบกันเองในวันอาทิตย์นหน้าเช่นเดียวกัน ค, ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับลาไปก่อนนะ